Buddham sariram gaccha. d h a m r i m a d m s a r i a m gaccha. d m s a g h a d h a m m a sariram gaccha. เมื่อ uh> วันนี้ก็ศึกษากันม ก็หยิบหลายหลายประเด็นในมันชฌิมนิการมัชฌิมพันนาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหยิบจุก่นมาสนทนากันเป็นต้นด้วยก็นาบดีเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะเอาพระธรรมคำสอนของพอระพุทธเจ้ามาให้ควรมาพิจารนาก็เมื่อคืนก็ก็ไปพัก <sus> ก็ดีนะบรรยากาศดีเหมือนวัดนะบรรยากาศเป็นมีปา่านะวัดยังดูลบหอกดยเออบรรยากาศตอนนี้ยังนึกนิยายยังคุยกับข้าวไว้ในที่อยู่ของโยมด้วยลมรินกว่าพระวัสสรมนี้ล ม, ลม ก็าอได้มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสในการที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้ก็ก็ศึกษาในเซกาปฏิบัาิสูตรเนี่ยในมัชิมานิกายมชิมปันนาก็พูดในเรื่องว่าเกี่ยวในเรื่องของสัพพุริสธรรมเจ็ดประการหนึ่งมีศรัทธาที่บอกว่า มหานามาริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรมเจ็ดประการเป็นอย่างไรเครืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อความตัศรู้ดีของพระธถามคดว่าแม้เพราะเหตนุนี้แม้เพราะเหตุนี้เนะี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นเป็นพระ อ, อรหันต์ที่จริงคําว่าแม้เพราะเหตุเนี่ยนะแม้เพราะเหตุอะไรที่พระพุทธเจ้าจึงได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แม้เพราะเหตุทลายพระเดจเจ้าจึงได้เป็นผ้าอล้วครัเหตุของพระผู้มีภาะเจ้าก็คือว่าเหตุในการที่สั่งสมอัจฉริยะใสในการสร้างบารมีแม้เพราะเหตุแห่งทานบารมีแม้เพราะเหตุแห่งศีลบารมีในขมมบารมีปัญญาบารมีใช่ไหมแม้เพราะเหตุแห่งวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและผู้เบขาบารมี แม่พ่อเหตุแห่งอุปภ พ, พรามีศิษแล้วก็แม่พ่อเหตุแห่งปรมาภพบาลมีศิษแม่พ่อเหตุแห่งมหาปริจาค้าห้ามีทานาปริจาค้าเป็นต้นฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุเยในกรณีที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นตรงนี้ก็นั่นแหละท่านให้ตั้งศรัทธาไว้ในสถานข้าตาภูที่ศรัทธาว่าศรัทธาในการตัดสู้ดีของพระผู้มีพระภาคถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ตัดสู้ หรือไม่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยการอยู่ของเราท่านทั้งหลายณนะปัจจุบันนี้ก็คือมืดมืด อ, อย่างชนิดที่ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่รู้ด้วยปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์เพราะสัตว์จจโลกทั้งหลายก็ถูกความทุกข์นี่ยถูกแชาติทุกข์ชาราทุกข์มรณะทุกข์ ผูกความโศกความลำเลีรงลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขัดแค้นใจเขารนอยู่ตลอดเวลาถ้าตามเนยยะของอาทิตย์ริยยสูตร์นี่เขาเรียกว่าไฟสิบอกองนะทีบอกอาศัยตาและบวตาเป็นของร้อนลูกเป็นของร้อนจักผูวิ ญ, ญญาณเป็นของร้อนจกักผูกสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เ, น, เนเพราะจากักผูกสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรเรากล่วาวว่าร้อนเพราะไปคือราคาไปคือโทสะไปคือโมหะร้อนเพราะชาติชามรณะโสกลาวไปดิเดวะทุกขโทมินาสะเรื่อุปายาติเฮ้ยเนี่ยร้อนจริงจริงด้วยไาก็เป็นของร้อนเนี่ยชะลอมองโดยตามในยาก้องคําสอนตรงนี้วิาาเป็นของร้อนโอ้โหก็เป็นของร้อนเนออนสียงก็เป็นของร้อนโสตวิญญาณเนี่ยก็เป็นของร้อนเหมือนกัน แม้โสตสัมผัสคือการประชุมกันของตาของหูของเสียงของจกักรคุณญาณก็เป็นของร้อนสุขเวชนาทุกขเวชนาหรืออทุกขมสุขเวชนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปันจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราไปคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชะรามรณะโสกับริเตวาทุกขโทมรณะสัอุปาจะมัร้อนจริงจริงไอร้อนเพราไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยร้อนร้อนมากๆทีนี้ว่าทั้ง เทวันจมูกก็ร้อนจมูกก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนแม้คานะวิญญาณที่อาศัยจมูกเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนเป็นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะผู้ที่เจ้าขาวกับไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติคือการเกิดชา ค, คือความแก่มรณะคือความตายร้อนเพราะความโศกความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับเคลือ ไฟเสดกองกระเพราลนสัตว์โลกอยู่เ น, นี่ยนะทีนี้ก็คือริ้นริ้นก็ร้อนแม้รถทั้งหลายที่กร ะ, ท, กระทบอะริ้นก็ร้อนชิวหาวิญ ญ, ญาณที่อาศัยชิวหาประสาทเกิดก็ร้อนเนี่ยชิวหาสัมผัสก็ร้นอนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเ ป, ป็นบรรจัยก็ร้อนร้อนก็ไปคือราคาโทสา ม, มาองค์ร้อนก็ชาชราหมดแะ สโสกว ร, ริเดวะทุกขโทมุนัสสะแมบุบายกายเขาเป็นของร้อนเนาะพุทธพาธรมที่กระทบกายก็ร้อนแล้วก็กาย ay, กายวิญญาณที่อาศัยกายประสาทเป็นไฟก็ร้อนกายยะสัมผัสก็ร้อน แ, แม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกเมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายยะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนพระไปคือราคะโทสามโมหะร้อพราะชาติชรามรณะโสกาวริเดวะทุกขโทมุนัสสะแมบาลกายโดยเฉพาะอาการนั้งแั่จิตใจ ใจร้อนมโนทวานเนี่ยนะประธรรมมารมที่เกิดกับใจก็ร้อนมโนวิญญาณก็ร้อนเนี่ยนะมโนสัมผัสก็ร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ร้อนร้อนพอกไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะร้อนพระชาติชรามารณะโศกขริ้วเดียวทุกประดิมิณาอุบายเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าต้งบอกเขาว่าเออดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถูกว่าตาเนี่ยเนี่ย พราะว่าอาริยะสาวกเมืม่อพิจรารณาโอยู่ว่าเออตานี่ยนะตาเป็นคงร้อนนี่นะก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแม้ในตาเบื่อหน่ยายแม้ใ น, มในรูปบเบื่อหน่ายแม่ในจักรุญะเบื่อหน่ายแม้ในจักรคู่สัมผัสเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายแม่ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรื อ, อทุกมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัคคุสัมผัสเป็นเด็ดถามว่าที่ท่านเบื่อหน่ายท่านเห็นโทษไหมเห็นอารทิมาว่าเห็นโทษ เป็นโทษที่มันเกิดจากบาปกรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอย่างทางทวานตาเนี่ยถ้าพิจารณาดูทั้งในอดีตที่ผ่านมาสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้ก็ติดข้องอยู่ในทางเทวานตาหูจมูกกลิ่นกายใจสีิต้องอยู่ในติดข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ติดข้องอยู่ในนี้จากผูสัมผัสโส่ตสัมผัสข่ายน้าเส้นผัดชิวหาสัมผัสแล้กายจสัมผัสมโนสัมผัสแล้วก็ติดข้องอยู่ในเวทนาทั้งหลาย ติดห้องอยู่กับสุขเวทนาใช่ไหมทางจากปุวาวรจนแต่วาวรคานาถาวรชูหายถารไกลยะถาวรมโนถาวรและทุกขเวทนาก็ติดข้องและอุเบกขาเวทนาก็ติดห้องกันอยู่นี่คือออกจากมันไม่ได้ออกไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าสาวกอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างเนี้ยก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตาเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายจักคุยัญเบื่อหน่ายจักคุสัมผัสเบื่อหน่ายสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกเมืสุขเวทนา กรณีการเบื่อหน่ายมาจากอะไรมาจากการไข้ควรมาจากการพิจารณาอย่างดีทุกท่านนล้วพอพิจารณาแล้วมันไม่เห็นสาระไม่เห็นสาระของของความงามของความสุขของความเที่ยงของความเป็นตัวเป็นตนในตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นว่าจริงๆกับการการประชมกันของตาหูจมูกลิ้นกายการประชมกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจการประชมกันของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส การประชมกันของจักรวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนุวิญญาณเป็นต้นพอมันไปชมกันแล้วเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลรรธรรมเป็นส่วนใหญ่เลยทั้งแบบมันก็ทำกรรมแล้วนี่เราบางคนพิจารณาดูโอ้โหนี่ทำไมพระเจ้าจึงสอนให้ให้สัตว์โลกทั้งหลายเีย่ให้ควรและพิจารณาท่านก็บอกว่าราคะนี่เป็นไฟที่น่ากลัวนะท่านบอกว่าราคะนี่เป็นไฟที่น่ากลัวท่านมายกตัวยอย่างใช่ไหม S <S <i> ในในดีกาในอัตาสาท่านยยกตัวอย่างบอกว่าภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยราคะเผาใจน่ยนีเออนางเดินแล้วไม่ไม่สมรวมทางเทวตาก็ไปพิจารณาพอเห็นนายทหารเฝ้าประตูทวามีในพอเห็นปอบเนี่ยราคะก็เกิดขึ้นในใจพอมองปุ๊บมันก็เกิดราคะนางก็ถูกราคะเนเผาลนยืนตายยืนตายตายเพราะราคะเผาลน บางทีเราก็เนื้เป็นไปได้ไม่ยากมันก็มีเรื่องเล่าในสมัยไม่ระงการที่บอกพระท่านเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยนี่นะพอเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเขาอยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยว่างั้นนะศึกษาพระธรรมวินัยใครบอกอย่าออกวินทบาทเลยเพราะเธอยังใหม่อยู่ยังไม่สํารวมระวังจักขุนสีโสตินสีคาณินสีชิวินสีกายินสีมณีสียังไม่สมรวมตาหูจมูกเขี้นกายใจยังไม่ได้เจริญสตินะ สติสังวรยังไม่แข็งแรงบอกว่าให้ศึกษาว่าทำห้าปีเพื่อออกบินธรมบาตรข้างนอกการท่านก็เชื่อนะก็ก็ทําอยู่อย่างนี้แต่อยู่ต่อมาเดีเนี้ท่านก็บอกว่าครบห้าปีเราไปได้ก็ไปท่านจะไปเดินบินธรรมบัตรในวันนั้นก็มีลูกสาววองเสดสีนะอยากจะมาทําบุญบอมาทําบุญขึ้นมาคนเรามันเคยเกี่ยวข้องกันไหมแต่โลกเนี่ยไม่ว่าใคร เคยเกี่ยวข้องกันมาหลายๆฐานะที่ไม่เป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นศัตรูเป็นอรไรต่างเยอะแยะไปหมดแล้วก็สลับผักเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันความเกี่ยวข้องกันใกล้ชิดมากเลยทีนี้นางก็มาใส่บ้านก็กเห็นเห็นรูปของติ๊กตุ่ยรูปนี้ไอ้ ก, การที่ว่าพระพระไม่มองเลยยมมองนี้ผมมองขึ้นมาก็ขาดการทั้งวมระวังก็ปล่อยราคะ คนในสมัยฝรั่งก็คือจะไม่ให้ลูกสาวไปที่แดงๆเก็เห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความกำนัดพอกลับมาก็มาบอกกับพ่อบอกโอ้ถ้าไม่ได้พ้าวนี่ต้องใส่ยุงคงลำบากคงจะตายแน่เพราะไม่ได้บอกพ่อกขาบอกไม่เป็นไรแล้วเรามีเงินเยอะไปหาความค่าพ่อกับใครดูวะเขาบอกเออในห้อกไปอยู่กับลูกสายเลยหลุดหายรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับ รเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยทำเงี้ยเด็มาพูมไม่กข้าไปเลยทีนี้อุปกรณ์เปินปฏบัตของเราเป็นเหตอใช่ราก็เลยไม่ไปตั้งแต่นั้นผู้หญิงก็เอยตรอมใจโมได้สี่เจ็ดวันต้อตายตายเฉยเลยนี่ราคเผาตัวตายไปแล้วต่อมาเศรษฐีก็ทำบุญนางก็สั่งไว้ว่าให้ทำบุญตอนนี้มุนพระมาทั้งหมดเลยนี่ตระรูนี้ท่านไม่ออกท่านไม่รับไม่รับมีมนท่านก็ไม่ได้ไป ก็ก็ถวายก็ใจเป็นหมเลยก็ถามเศรษฐีก็ถามบอกว่าเออมีมีพระที่ไหนไม่มาบ้างไหมเออมีอยู่องค์นึงว่างั้นนะหลงนั้นก็ฝากเพราะเปเจตนาของผู้ดีไทยเนี่ยบอกว่าฝากชีวรถวายพระทุกองค์เลยทีนี้พระก็ไปก็ไปถวายพระหลังนี้แล้วทักทันก็ไปเล่าบอกเออแปลกมากเออลูกสาวของเศรษฐีว่างั้นนะไม่รู้ไปเกิดเธอเกิดปฏิพัทธ์ิสูจรูปใดก็ไหม ก็ ต, ตายเลยวองค์น่าสงสารนางจริงๆเหมือนเนอนงค์นางหรือพระองค์นั้นก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ใครเลยวะเนี่ยพระก็ไม่รู้พราพระท่านรับที่วอนปุบเนีลาค้าเกือทันทีเลยโอ้โหนางตายเขาเรล่านีนนเในใ้เนี่ยเรานื้อใจกันเลยก็ถือถือผ้าตรายเข้าเขา้าเข้าในในกุดเลยไม่ออกมาชั้นอาหารก็เลยตายตามนี้นี่ก็ ล, ลาค้าเขาตาย ราคาเนี่ยไฟคือราคาไป น, นี่แต่ยุคปัจจุบันนี่จริงๆตัวอย่างก็มีนะจริงๆไม่ได้ออกข่าวกนะัได้เยอะอันนี้ก็เลยไฟคือราคาไฟคือโทสะโอ้โหเยอะมากเขาบอกว่าถ้าเทวดานี่เฮ้ยถ้าแค่กลุ่มเทวดานี่กลุ่มราคากินตายเยอะหมดเลยเพราะว่าเทวด า, นว า, าเนี่ยหรือว่าโทสะเนี่ยพวกมโนไป โ, โทสิกะเทเ ท, เทวดาเนี่เทวดากลุ่มนี้คือโกรธโกรธแล้วตายคือคือเทวดาเนี่ย การราชการในรูปกายเขาเขาละเอียดที่โทสะเป็นธรรมชาติที่หยาบโมหะก็เป็นธรรมชาติที่หยาบหรืออกุศลธรรมที่ลามกนี่เนียเวลาเกิดขึ้นติดติดติดกันในเทวดาทนไม่ไหวก็เกิดบ้างตายจุตติแล้วจุตติลงอบบยพงกันเที่ยงหมดละเยอะแยะหมดให้สังเกตตัวนะว่าบางทีเรานึกว่ามั่นคงใช่ไหมเราเนื้อโอ้โหการเป็นเทวดานี่มั่นคงแล้วที่ไหนได้ดูสุพรมเทพประบุดีที่ว่ามีบริวารหนึ่งพัน พอไปเล่นกลางเพลินอย่เนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งไปเพลินเกี่ยวกับเรื่องดูของสวยๆงามๆไปดูดอกไม้ในเที่ยวเนี่ยเที่ยวเพินตายไปห้าร้อยเอาลวงดีลงอใบพวงไปเลยเล่นสุโขทัยประบุตนี่สะดุ้งเลยนะบอกโอ้โหจิตนี้สะดุงง้งหวาดเสียวมากใครน้อยจะดับความหวาดเสียวดับความสะดุงดะด้งดับความโศมตนเองได้ก็มาพอ่าาอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดูความสุโขทมเทพบุตรเธอมาาถูกท่านถูกคนแล้วแต่ฐานคดบำเป็นบา ร, รมีมาก็เพื่อจะขจัด โศขาปริเทวาทุกขโทมนาศาสของสัตว์โลกนี่และพระเจ้าประแสดงถรมให้ฟังอ่ไหงบอก ra, าานานยัตตราโคชาตปรษสานานยัตระอินเดียสังวา ra, รานานยัตตรสัพนิขสข้าโสถิงปสารนิปานินันเตียพรโคดชงในองค์เห่งการตรัดสู้นะตประสาคือความเพียรอินริยียสังวราคือการสำรวมอินทรีย์นปิดบาป ท, ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสัพนิสขาเนี่ยคือพะนิพานนี่ บอกศานั้นปฏิบัติในธรรมสี่ประการนี้จะเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการดุกเมื่อร์ไปตั้งแต่ปุบเดวะดกมันก็ัตดาบานุชื่นใจแล้วไม่พร้อมไปเดวะเลยว่ะทุกคนทุกข์แล้วอย่างนี้เขาปลอดภัยแล้วอย่ากลุ่มอย่างเราทั้งหลายใช่ไหมบางทีแล้วเขาบอกว่าเราเจริญกุศลเนี่ยหวังเทวดาเปที่พึ่งหน่อยเอาเทวดาก็ไม่ปลอดภัยอยู่ในโลกมนุษย์ก็ไม่ปลอดภัยลงอบอายภูมิก็ไม่ปลอดภัยเทวภูมิก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหม ถ้าเรามาพิจารณาดูอย่างนี้บบว่าใบโยมมือทุกอย่างรุนแรงได้เกินท่านในมนมุษย์ภูมิก็แหมยุคไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมทายุกที่พระเจ้าไม่ ก, กบิเกิดขึ้นมาเมื่อวันก่อนที่ยอมถามเอ้ชมพูทวีปเนี่ยใช่ไหมไปยอมคำถามมันจะมาเออชมพูทวีปเนี่ยมีอยู่เฉพาะในจักรวาลนี้ใช่ไหมชมพูทวีปเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าทุกทุกจกกักรวาลนั่นกล่าวว่ามีทวีปสี่มีทวีปสี่แต่ไม่ได้กล่าวไว้ว่ามีพระเจ้าอกบัตฏเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้พระเจ้าจะไม่อุบัติเกิดขึ้นพร้อมกันหรอกแต่พระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นเฉพาะในชมพูเท่านี้นและพระเจ้าถึงอะไรหลายก็ไม่เท่า ท, ที่ดูจากหลักฐานไม่เคยแบบมีจักรวาลอื่นมีมีพบพบอื่นมีแต่ไม่มีพระพุทธเจา้าเหน้าว่าวเสียวเงี้ยนะทำไมนั่นจิตบางทีเราบอกอุย้ยบางคนก็ถืออย่างเงี้ยมีอยู่สังสารวัตสุธทธี่ยัง ม, มีละทีละทีหนึ่งของรู้สึกที่เป็นมคคุริโคสาร เขาบอกว่าอ้ยคนเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปหรือไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถึงที่สุดจริงๆ จ, จ, จะค้นทุกเองคือสังสาสังสารวาัฏเนี่ยมันจะขาจัดสัตว์โลกให้หมดจากสังสารวาัฏเองไม่ต้องไปทําดีทําชั่วอะไรหรอกอยากจะทําอะไรก็ทําเลยนก็ถึงเขาอย่างเงี้ยพอครบกี่หมืน่นกี่พันกี่ล้านปีเบียเสร็จพอครบกําหนดเบยเสร็จแล้วสัตว์มันก็พ้นทุกเองแต่จริงเขาไม่รู้ว่าจักรวาลมันย้ายได้ นรกมันก็ย้ายไปจักรวาลอื่นได้ใช่ไหมเนี่วเขาเรียกเหนียวโดยสมนรวมจะคือเกิดสงครามนะที่นี่ล้วก็ย้ายกันไปที่อื่นว่าไปเกิดที่อื่นีเรื่องกรรมยังนี้ไม่หมดหลอกไอ้อมันผลของกรรมเนี่ยรับไปกว่าว่าไม่เดินตามอาริยมรรคในงค์แปดเลยยุ่งใช่ไหมบางทีเนี่ยเราเราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะก็ อ, นะ อ, อย่าว่าเลยบางทีไปเป็นเทวดาบางคนเออเกิดมาสติปัญญาดีหน่อยก็จะไปเข้าใจว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยากเหมือนเทวดาใช่ไหมถ้าเราไปดูในโอคะตะระนาศูน่ะในในเทวตาสังยุตเราไปดูเทวดาก็ยังนึกเออพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะไปถามปัญหาปัญญาดีอย่างเรานี่ถามไม่กี่ประเด็นแล้วก็ตัดสรุ้ได้ใช่ไหมเกาะห่อลงมาก็มาถามพระเจ้ากับข้าแต่พวกผู้มีพระผู้เจริญเนี่ยเาบอกว่าบุคคลจะข้ามห่วงไอข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่างบอกว่าไง บอกว่าไม่พักไม่เพียงบอกข้าโมฆะได้ได้อย่างนีเทวดาฟังงงอจากมาณานี่นะโอฟังโอ้ใหญ่ไม่พักไม่เพียงข้าโมฆะได้อย่างไรในใจเทวดานึกในใจเลยนะทําไมใหไม่พักไม่เพียงแล้วข้าโมฆะได้ก็ถามดีกว่าบอกข้าแต่พู้นี้เลยบุคคลไม่พักไม่เพียงข้าโมฆะได้อย่างไรเล่าจริงจริงตัวเองว่าที่แรกมาด้วยมาณานะี่ไหม พอมาถามเลยว่าตัวเองจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่พักไม่เพียนนี่ข้ามโอคาได้ก็งงเลยแต่เนี่ยไม่พักไม่เพียนแล้วมันข้ามโอคาได้ยังไงเอ็มาน่าก็เคยมีก็ลดปุ๊บปุ๊นใจโอ้โหในปัญญาอย่างเราเข้าถึงว่าทำ功德เจ้าไม่ได้เท้ามาบอกข้าแต่ผู้นี้เลยทุกอบุคคลไม่พักไม่เพียนจะข้ามโอคาได้อย่างไระพเจ้าก็บอกว่าบอกว่าถ้ายังพักชื่อาจมอยู่ถ้าเพียนก็เชื่อเลยเชื่อวลอยอยู่ฉะนั้น บอกว่าสถาคดไม่พักไม่เพียนข้ามโอกาได้อย่างนี้ฟังปั๊บได้เป็นพระโสดาบันเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ด้วยท่านบรรลุ ก, กันเรียบร้อยไปแล้วนะท่านทำประทัดศีลพระเจ้าเรียบร้อยเขากลับที่มารเดิมโอ้โหดีแท้วะนะ่ะงั้นนานๆจะได้เจอบุคคลที่ไม่พักไม่เพียนข้ามโอกาได้อย่างนี้พวเราเนี่ยอะไรไม่พักไม่เพียนไม่รู้ข้ามอเลยก็ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่บอกว่าพักพักอยู่เชื่อจมอยู่เนี่ยจะเพียนในชั่อร้อยเนี่ย โอ้ไม่พักไม่เพียนเนี่ยบข้ามปูข้าได้อย่างนี้โอ้โหนานแล้วที่ไม่ได้เจอเาะงั้นพระพได้เจ้าที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้ตนเองกอฟังไม่มีเรื่องอะไรพักพักเพียเพียนใช่ไมเอทําไงดีอาอบหามาอกม้าอ็กไม่ท <c oughs> มามามราบได้ทำไงตรงนี้มีหน้มาม้าอีกกี่คนเลยนี <c oughs> คือ คำว่าคำว่าคำว่าไม่พักไม่เพียนเยนะี่ยเนี่ยคือว่าคือถ้าหากว่าพักอยู่เนี่ยชื่อว่าจมอยู่ใช่ไหมถ้าเพียนอยู่ก็ชื่อว่าลอยอยู่เนี่ยไอ้พักอยู่คือการจมอยู่ในการมาสุ ข, ขาริการโยโยคันชื่อว่าพักอยู่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมแล้วทําอารมณ์ที่หน้ายิน ด, ดีหน้าเพลิดเพลินหน้าชอบใจเนี่ยีนี้กลุ่มนี้กลุ่มพักกลุ่มจมอยู่ทั้งนั้น ถ้าเพียนก็เพราะเพศพวกเลยทงไงใช่ไหมพวกอัดตกิรมธ า, านุโยใช่ไหมฉะนั้นอัดตกิรมธ า, านุโยการประกอบตนให้ลําบากเนี่ยชื่อว่าเพียนเพียนอยู่ไม่พักไม่เพียนเนี่ยเป็นชื่อของมชิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นชื่อหืออริยมารีองแปดใช่ไหมหรือถ้าบอกถึงพูดถึงว่าสัตสตาทิฐิใช่ไหมกับอุเฉททิฐิเนี่ยสัตสตาทิฐิก็ชื่อว่าพักอยู่เนี่ย อุเฉทิตถิก็ชื่อเลยไปเนี่ยนะธรรมชิมาปฏิปทาก็ไม่เข้าถึงที่สุดสองอย่างนั้นถ้าพูดจริงๆก็คือโลภะเนี่ยเชื่อพักเดยยวเสกข้องโทษาเชื่อโทษาก็รอยไปเไม่ถึงแต่ว่าธรรมชิมาปฏิปฏิปทาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิติสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวิมุตติแล้วก็สัมมาสมาธิอปฏิปทาคือมักแฝดเนี่ย ถามว่าเออกายโนอายังพิกเวมาคูที่ทางสายกลางเนี่ยถามว่าเดินยากไหมยากเดินหมเออเดินไม่ดีพวกผิดคล้องกับโลภะอ่อมไม่ใช่สายกลางถ้าเครียดประเภทกลุ่มโทสะอ่อมไม่ใช่ครัเออปทิมาปฏิบัติธรรต้องสามารถละอภิชาและโทมานั้นได้อ๋อเข้าสติปัฏฐานนีเยอะเช่นคําสอนของพระเจ้าเนี่บางทีถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจมีบุคคลต่าง ตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อการ ต, ตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็บอกว่าแม้เพาะเหตุนั้นเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมได้วิชาและเจริญนะเรานี่ไม่มีทักษวิชาเลย ม, มันไล่ไล่อยู่วิปัสสนาปัญญาก็ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้ถึงขั้นอะไรเลยนะมโนไปยึดที่เลยคุยกันเลยใช่ไหมมโนไปยึดที่อีที่วิทะก็ไม่มีเจโตปริยญาณไม่มี ทิพจักขออโขภเพนิวาสานุสติยานจตูป ป, ปาทยานอาสวรกายยานจบเรือวิชาแปดไม่ได้ทุกวิชามีวิชาโรนี่เป็นวิชาบททุกหนึ่งเนอะก็ตั้งอัธยาศัยสักวันหนึ่งตรองได้เลยนะเพราะว่าวิปัสสนาญาณใหมา่จะาอะไรวิปัสสนาญาณใหมาา่ถามว่าปัญ ญ, ญานเนี่ยมีฐานมาจากเอกุศลฤาษีมาจากสมาธิเป็นต้น ก็ออกคูณได้ใช่ไหมสิ่งต่าง ๆ, ๆแล้วก็เป็นถึงพร้อมในวิชาและเจรณะสิบห้าเนี่ยเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเนี่ยพระเจ้ารู้แจ้งโลกหมดทุกโลกเลยเนะทั้งกรรมาภูมิรูปรภูมิมารูปรภูมิรูปหมดเลยแม้ในขันนี้พระองค์ก็รู้แจ้งทะลุทะลวงหมดขันลูกขั น, ลข น, นเลยนะก็อย่างที่ได้บอกไว้ในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายพระเจ้าตรวจสอบเสร็จสิ้ แน่ดีนะตรวจมาแทบทุกพระองค์ไอทุกพระองค์นะที่จะไม่เคยตรวจสอบกระแสขันห้าของเหล่าสัตว์นี้ไม่เคยมีแล้วตรวจสอบหมดเลยในในแสนโภชกรว่าันรู้แต่ดูแล้วไม่มีอัธ ย, ยาศัยไมยไม่ไมยอมจำสอนดูยังไงมึงดูไปถึงอนาคตมึงนึกว่าเสียวกับพวกเราด้วยมึรู้จะทันพระศรีอรอยิยเมตไจหรือเปลมึงจะทันมั้ยสอบต่อไเร็นสอบต่ ก็เลยพอเหลือเหลือรถไฟเที่ยวเดียวนั่งทุกการเหลือขบวนเดียวใช่ไหมถ้าหมดขบวนนี้ก็หมุดเลยใช่ไม่รู้ใครจะทํายังต่อที่นั่งนั่งเดียวถ้าใครเกาะรถไทยรถไฟทันก็จะรวมเกาะเพื่อนเพื่อนเกาะเพื่อนเพื่องเหมยศึกษาก็ทำได้กันอย่าไปชิ้งกันนะศึกษาก็ทําได้กันเอบางคนนี้เขารู้ว่าใครปราถนาเป็นพ่อโพสิสัตว์ตัางๆบางีเขาไปฝากมื้นฝากตัว ม, กมรรากขมกอนกันน่าจะมีการปรารถนาเก็จะไปกระิบบอกอย่าลืมผมบ <c oughs> ้นะี่ตนะโลนงงเยพอได้ยินเาเขีย น, ย น, น, นพุทธโลเกยนาคโตท่านปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้าใช่ไมตอนนั้นศกษาวก็ทาด้วยกันอเขาแอบเข้าไปในห้องนะบอกท่าน้าท่านดเป็นผู้ไดเจ้าในนาคต็เลยอย่าลืมผมนะึเขาบอกเออผมจําจำวะ <c oughs> เรียบรอยเดี๋ยวนี้สื่อขายไปแล้วหมดที่ตึง <c oughs> เราก็ไม่หวังแัดแย่ทุกท่านเขียนไว้หนังสือทุกเล่มเลยนะโอ้โหท่านปรารถนาหา ย, ยากเงยก็รีปบอกท่านเลยบอกท่านอาจารย์เรื่อนะึเดี๋ยวมีบทที่เพึ่มหรือหาใหม่เ <c oughs> ขาสวยงานเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมงเจอกนเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันในหน้าปรารถนาเองแต่บางคนก็กล้ากลนะ้านิบจะท ประการต่อมาก็คือเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานเบิกบานมีชื่อขงอมาพุโทโธพุโทโธก็คือัศรูอริยสัตว์คนหมดกิเลสไม่เบิกบานยังไงยังแล้วก็เป็นผู้จำแนกพระธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าแล้วก็มกีอิรลายต่อกายทุจริตก็จีทุจริตแล้วก็มนุษยทุจริต การถงพ้อมด้วยบาปอคุโสลธรรมมันหล้วเนาะก็มีอดตปาเป็นพ่อหูสุเป็นต้นแะไรเนี่ยเนะประการต่อมาก็คือครั้งที่แล้วที่พูดเรื่องความเพียรละอกุโสลธรรมเพื่อทำอคุโสลธรรมไม่ถึงพราะมีความเข้มแข็ง ม, ม, มีความบากบันไม่ทอดทุระในกุโสลธรรมนั้งหลาความเพียรเนี่ยที่เขาเรียกว่าอาราัทาตระนิกกามธาตพลาาังกามธาตความเพียรความเพียรในการที่จะ ลำดับแรกจริงๆก็คือออกจากความท้อคนเราเนี่ยถ้าหากไม่มีความเพียรนี่ยมันท้อเนะ่ยในความท้อความหดหูเนี่ยความหดหู่ควา ม, วามที่จริงเป็นชื่อของถีน้มิทนะเนี่ยเอกหดหูความหดหู่แห่งจิตเป็นชื่อของถีน้มิทะคนที่มีถีน้มิทะค่อนข้างมากๆเนี่ยการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์บุคคลเหล่านี้ก็จะไม่ขวนขวายเพราะเป็นคนหมดความเพียร เหมือนที่ท่านเล่าไว้เหมือนกับพยานหน้าที่ว่าถา ท, ทองคําของที่พระโพธิสัตว์อธิษฐาน ไ, ไปไปกระทบเป็นถาที่สี่องก็ตื่นขึ้นมาบอกเออเมื่อวานนี้ก็จัดสรุปไปองแล้ว น, นี้มไม่กันแหละอะไรเงี้นี่กรณีอย่างนี้เป็นคือเป็นทอดธุระจะเป็นไปในลักษณะไหนยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราได้ยินคำว่าอีท่าตาถ า, า, าคโตโลกอ์บอกว่าพระโพธิพระพโพธิเจ้าเป็นพระอรหันต์อุบัติตนเสด็จเปิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้เรียกว่าโคตรโทรนี่นะ ได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยความตื่นเต้นในใจไม่เกิดเลยนี่เป็นเครื่องหน้าคิดใช่ไหมแล้สมัยเด็กๆเรา ก, ก็ได้ยินตั้งนั้นนะพูดโทรกับตัวเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าบัตรถึกแล้วก็ท่องกันไหมสมัยก่อนเวลาเขาได้ยินคําว่าเหมือนอย่างพายยะทารุจริยะเนี่ยพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าหรือที่ตนเองไปสําคัญตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมที่ว่าไปสําคัญตนเองแล้วตนเองก็ประพฤติโดยการที่ไม่นุ่งผ้าแล้วก็ให้คนอื่นนับถือแล้วก็ คนอื่นเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็เลยสําคัญตัวเองถิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นตลอดว่าตัวเองได้บรรลุคนละนี้แปลกเหมือนกันถ้าหากว่ามีใครมายกย่องมากๆมกๆแล้วเป็นอย่างนั้นเีงเอานี้ลองคนเท่า่ยมีอยู่เลยมีเพื่อนกันตั้งห้าสิบหสิบคนต้องมีคนมามาพูดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นนะมอใครมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นยัางไงาคล้ายๆคุณนี่ เหมือนคนปั้มปมเปลอๆสมมอิเราพูดบ่อยๆนะนะเข้านะเข้าเริ่มเอะใจยิงเนี่ยใครก็มากระซิบไตหูเราก็ปั้มปัเปอๆปัอมปั้มเปลอๆเลยเหมือนกันนะถ้าใครไปบอกว่าท่านเนี่ยเหมือนพระอรหันต์เนี่ยไอ้ครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมนะเขาก็เอ้ท่านเนี่ยเหมือนพระอรหันต์นั่นน่ะเข้ากายนี้ถึงบอกว่าบางทีครูบาอาจารย์เนี่ยจะอันตรายกันนะบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็ไปยกันเเป็นอันตา ใมก็ไม่ค่อยระวังหน่อยเอพูดบ่อยๆเราเอ๊ะรือเป็นจริงๆนียุคเท็จเลยนี่ก็เลยป่ายกันใหญ่แต่ตอนนั้นเขาดีก็ไม่ใช่ตัวท่านเลูกศิษที่ทำให้ท่านเป็นอาจารย์เป็นบ้านาหารเพาเป็นบ้านอาหารแล้วจงไม่ลงเลยก็เหมือนสมัยกลางวัฏสนหลังหลังวัการมาก็อยงนีลูกศิษยรู้บรรูแล้วบรรแล้วนเายิ่งใจกิเลสในใจตัวเองก็มีมีอยู่วันหนึ่งก็คือลมือทกทีโวทุกทีโว ทุกสิ่งสถาบันอาจารย์ถ้าหลันมัต้องร้องทุกทีนี้เอามีเหมือนกันเผื่อสติได้เอาเอาเลยมีคำแตนอีกลกัทธิหนึ่งเลยตรงนี้บีพูดไปพูดมาเลยฉะนั้นเห็นใครนิ่งๆก็อย่าพุ่งเปไปพูดกระซิบกระไปบ่อยๆล้วพวกก็สำคัญผิดไปไปลยอะ ไ, ไรนปหนึ่งกันไม่กลับเลยเป็นอะไรัะอาจานย์เป็นผู้มีสติแล้วก็เป็นผู้มีปัญญานะ เห็นความเกิดและความดับเป็นต้นแล้วประการต่อมาก็คือว่าดูก่อนมหานามาอริยะสาวกเชื่อเป็นผู้ได้ฌานสีโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากคือคือเป็นเรื่องง่ายของท่านทั้าริยะสาวกนี่กรณีที่ท่านจะทําชานสีเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินิดเดียวแล้วประการต่อมาก็คือว่าก็ข้ามๆไปหน่อยในทางประเด็น อริยส า, าวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไรคุ้มครองในทวารินทรียีทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะอย่างนี้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างนี้ความเพียรเป็นเครื่องตื่นหนึ่งประกอบด้วยสัพพุรธิธรรมเจ็ประการดังที่ได้กล่าวแล้วในเป็นผู้ได้ฌานสี่มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุสฌา น, านอัน อาศัยจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้มีสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนาก็แปลว่าคนที่จะได้ปฐมฌานทุติยฌานแล้วท่านทำวสีจนคร่องแก้วเนี่ยถ้าท่านจะหาความสุขในปัจจุบันนะพบพื่อนท่านในเป็นเรื่องปกติของท่านเลยหรือถ้าท่านเป็นพระอิยบุคคลเป็นปโซดาบันสัตานาคาหรือเป็นพนระหรหรันเนี่ยเวลาท่านเข้าพรรภตมาบัตเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติท่านมีความสุขในปัจจุบันนภพบเอนท่านได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยคือเรื่องปกติของท่าน อย่างอยู่ดูตัวอย่างเช่นพระยะโสชะพร้อมได้บริวารห้ารอยตอนนั้นเป็นบุตรชนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ตนเองมาจากปชาวระมงมาจากชาวบะมงก็มาถึงก็อยียงว่าบวชมาก็ไม่ค่อยสํำรวมมินซีสำรวมจากขุนศรีเป็นตนเท่าไหร่พอมาในวัดก็เอะอะเสียงดังนี่อาจารย์นี่นี่ที่อยู่ของอาจารย์เรานี่ที่อยู่ของสาธมิเพื่อนเราเป็นต้นเสียงดังในวัด พระพุทธเจ้าก็ะถามมาดูก่อนนะนนท์นี่ใครมาเอกอะบรวารเหมือนกับชาวบะมงขาวป่ะนี่ก็การนนท์ก็ไปบอกขอพยโสช้าพร้อมในบริวารจะมาเข้าพระพุทธเจ้าเยอ่มากบอกว่าให้ตามมาหาทัตถาคุณวตาทัตถาคุณเรียกทรั้งนนท์ก็บอกบอกว่าบอกขอพยโสชาพร้อมในบริวารห้าร้อยบอกว่าพระทัตถาคตรับสั่งหาท่านท่านก็มาก็เข้ามาเข้ามาเป่าพอเข้ามาเป้าทําท่าทำอาภิวาส ไหวบ ก, กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งนาะที่ควรส่วนท่านหนึ่งพุทธเจ้าชี้หน้ า, าบอกไปบวกเราไม่ต้อนรับบอกเออคือตําหนิเลยนะไล่เลยเนะให้ออกไปบอกไม่ท้อนะท่านเหล่านั้นก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําปริทักษ์ศนะีลแล้วก็จากท่านไม่มีอาการเสียใจกันนะอย่างเราเดินพ่อแม่ไล่ในกฝน อย่างเรากขาโกรธใช่ไหมโดนไม่พูดอะไรมาลไลาออกจากวัดไปเลยเราไม่ปรารถนาจะต้อนแล้วพอไปท่านก็เดินยาลิบกันไปนะี่ยาลิบไปไปเห็นที่อยู่เป็นที่ที่วเออตรงนี้เหมาะในการเรียนจำภาษาแล้วเธอก็เข้าอธิษฐานบรรษาท่านก็เรียกขึ้นมาประชุมเดร็เสร็จแล้วท่านก็บอกว่านี่มีพวกเราทั้งหลายพระศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นท่านมีความอนุเคราะห์ในเราท่านทัน้งหลายดูสิเนี่ยอัฐาท่านอ่านออกไหม บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นท่า น, น ม, ามีเมตตาเมลเคาะเราท่านทั้งหลายฉะนั้นในรรษานี้เราท่านทั้งหลายจใไถ่ครวญพระธรรมที่พระบรมศาสดาเคยสอนไว้เอามาไถ่ครวญอย่างจริงๆังจริงจังก็ท่านกระทํากันทั้งภาษาแล้วได้บรรลุในภ ร, รษาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์น้าแตกฉานอภินาทั้งหมดเลยทีนี้พระ大爷เจ้าก็บอกว่านอนเออวันนี้จะไปจะไปต้อนรับท่านมาเยี่ยมเจ้ามาครึ่งทางเนี่ย พอไปได้ครึ่งทางก็บอกพระอนนว่าจะต้อนรับท่านพญาโสช้าพร้อมเลยบริวารตรงนี้แล้วพระเจ้าก็เข้ากุฏิใึ่ไหมแล้วพระโยชพญาโสช้าก็ดํมริว่าจะไเปเฝ้าพระเจ้าก็เอาเข้าสมาบาาัติดูอ๋อพระเจ้าต้อนรับเราแล้วก็พากันมาด้วยยี่ทีลิปเลยนะทั้งห้าร้อยรูปนี้นะเข้าอันนี้เข้าสมาบัติแล้วก็ออกมาแล้วออกมาไปเสร็จก็มาอยู่ ตอนหน้าพระคันธกดีของพระู่มีพรุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาบัติก็ตรวจดูว่าพระเจ้ากําลังทำอ๋อพระเจ้าต้อนรับเราได้สมาบัติชั้นสูงใช่ไหมอันเนนชาสมาบัติชั้นสูงอ่ท่านเหล่านั้นก็พากันเข้าหมดเลยวโอ้พระพุทธเจ้าต้อนรับเราสูงมากเช้นสมาบัติระดับสูงต้อนรับเราโหมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากท่านก็เข้าสมาบัติแบบอันเนนชาสมาบัติเหมือนกันพอเข้าสมาบัติท่านพรานรนก็ประคองอัญชลีกราบ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปฐมยาม่านไ ป, ลปนแล้วใช่ไหมพระปฐมยามแล้วบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพะยะโสชาพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยมาเฝ้าผู้ได้เจ้าขอผู้ได้เจ้าจะบทแสดงธรรมเถิดเงียบไม่มีเสียงตอบท่านพระพน์ก็นั่งต่อ่ะเพราะนี่ผู้ได้เจ้าไม่ขาดรับใช่ไหมเอาหันมาทางนี้พระเหล่านี้ก็ไม่ขาดแล้วก็ทําอยู่ในสมาบาททัติจนหมดพอมัชชิมมัยามใช่ไหมพระปฐมยามล่วงไปแล้วก็ไปมัชชิมมัยามเนี่ย พอถึงมัชิมมะยามในช่วงประมาณสี่ทุมเป็นต้นไปเนี่ยท่านท่านนนก็ประคองอัญเชิญแล้วก็กล่าวทูลพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าข้าแต่พระองค์เจริญตอนนี้ท่านพระเยโสชาพร้อมได้บริวาลห้าร้อยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสมโสดแสดงธรรมถึงเงียบอีกเอ๊ะแปลกจริงๆนะก็นั่งเข้าสมาธินะท่านนนท์ก็นั่งเงียบไปรอไปจนถึงปัดชิมมยามเนี่ยก็ ก็รัตานาพระเจ้าอีกก็ยังเงียบต้องพักนะจนจะใกล้สว่างพระเจ้าจึงออกจะสมาบัตนนิก็นอนไม่รู้เลยว่าผ้าละหั น, นต้องต้อนรับกันในสมาบัติชั้นสูงเห <c oughs> ็นไหมวันนี้ท่านพานอนท่านมาพูดเองนะโอ้นี่อัธยาศัยของระดับพระพุทธเจ้าเราจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าจะต้อนรับเราเราเร า, เราได้ถวายการต้อนรับพระเจ้าในสมาบัติเลยเี่ยเวลาไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะ เวลาที่พระ อ, อรหันต์ท่านไปนลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะปริลีนิพพานเนี่ยเวลาไปแต่และองค์ในสังเกตไ้ยท่านจะแสดงอิทธิฤทธิก์กันหมดทั้งหมดที่ท่านมีอ่ะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่งองทาหากระดับสาวกเวรมีญาณอย่างพระสารีบุตรนี่นท่านไปแสดงเนที่ในสารีบุตรตาทเทระก็คาถาไปดูดิหือไป ด, ดูตอนที่ท่านภาษารีบุตรไปลาพระพุทธเจ้าปริลีนิพพานนี่พอไปถึงเบสเสร็จบอกว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเนี่ยแล้วก็ท่านก็ท่านก็แสดงธรรมแสดงอิทธิฤทธิ์นะีถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย อิทธิฤทธิท่านมีทั้งหมดท่านถวายมองโลนก็บอกท่านไปไหวครูเข้าใจไหมไวว้ครูฉะ น, นั้นใช้การการปฏบิบัติบูชาไปทําให้พระพุทธเจ้าเห็นนี้ไงบอกว่าผลงานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสมอัตยาสายสร้างบารมีมาสี่สงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยเนี่ยที่ทําให้ข้าพระองค์ได้สาวกบารมียานเนี่ยแล้วก็ได้ได้ได้ไดไดตรัดสรุ้ตามพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ที่มีทั้งหมดที่ได้จากพระพุทธเจ้าวถวายใช่ไหมถวายอาจารย์เราจะไปอินเดียจะมีอะไรไปถวายอาจารย์เห็นไหมถวายพระพุทธเจ้าเอาอะไรดีเอาศีลแปดดวงเราศีลแปดถวายกันเห็นไ้มบางคนเอาเอาสูตรนี้สาธยายเราจะมาไปนั่งคิดกันตอนสมัยไายเนะ่ยเอถ้ามองซ้ายขวาจะเอาอะไรถวายพระพุทธเจ้าบ้างนี่ยนึกถึงพระอรหันต์แนบดีท่านถวายกันโอ้โหระดับสูงเลยเห็นไหม ท่านใช้สมาบัตดอย่างสูงเข้าสมาบัตดถวายพระเจ้ากันเยเรามีนิดเดียวจะมีนิดเดียวบุคลมักน้อยกันแล้วเกินในกุศลธรรมพระเจ้าก็ห้ามมักน้อยดี๋ยู่เราก็มักน้อยมีกุศลอยู่นิดเดียวไปถวายพระเจ้าบางคนได้แค่สี่ห้าแค่นั้นถวายพระเจ้าสี่ห้าก็ขาดทิ่นวินก็ยังดีนะอย่างไงก็เอาเอาเอามีสบูชากทีนี้ก็ นี่พอทาไปถวายไปเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ูเจริญความปรารถนาของข้าพเจ้าสําเร็จไหมท่านบอกว่าข้าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นสาวกบรมียานเนะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาสั้งบรมีมาหนึ่งอสงขายิ่งด้วยแสนกลับข้าพเจ้าได้ฟังทีคณะขอทีคณะขาสูดใช่ไหมทีพระพุทธองค์แสดงโปรดทีคณะขาเอาคิเวสนะพวกข้าพเจ้าเป็นเด็บรรลุสาวกบารมียาและความปรารถนาอีกอย่างของท่านภาษาที่บทก็คือ ดูฝ่าพระบาทของผู้ได้เจ้าแล้วก็ได้กล่าวได้ซบพระบาทของผู้ได้เจ้าพระเจ้าดึงยื่นพระบาทออกจากที่วรวงามมากภาษาริบุตรใช้หน้าผากแตะพระบาทของผู้ได้เจ้าเนี่ยพอใช้หน้าผากแตะก็เมิติปราโมดขั้วทั้งการแล้วหอบแล้วท่านประกาศบอกว่าความปรารถนาความประสงค์ของข้าพเจ้าสําเร็จแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจากวรินทร บอกเจเบลีนิานแล้วทำประทับศีลพระพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรมพรแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าพระเจ้ า, า, า, าไปดูก่อนสาราลีบุตรเธอคนทราบการเอ็นควรเธอภาษารีบุตรก็เดินจากกัแผ่นดินไหวเนะคือระดับภาษารีบุตรเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอัครส า, าวกเฟื่องขวาของท่านเนี่ยแคเดินจากกันแค่นั้นก็รู้แล้วว่าเนี่ยการจากไม่แม้แผ่นดินยังสั่นสะเทือนยังน้ํารองแผ่นดิน แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูความพิสูจทั้งหลายเธอจงไปส่งพี่ชายเธอเธอการเห็นพี่ชายเธออย่างเช่นท่นานภาษาลิบุตรเป็นการยากมากพร ะ, ะนั้นทิ้งพระพุทธเจ้าพากันตามภาษาลิบุตรนี่ยพระองค์ก็ร้องไห้นะก็เป็นที่เป็นพระญาติาบุคคลชั้นต่ตนนาําๆ น, น, นี่นะโดยเฉพาะพระนลเ น, นี่ยยืนไม่อยู่อ่ะพระนลเนี่ยในปกติยืนไม่อยู่เป็นพระโสดาบันเนี่ยปกมืดมิดหมดเลยถามพระเจ้าพระรามบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เข้าไเจ้านี่หมดทิศทั้งปวงนี่มืดมิดแก่เข้าไปเจ้ามา พระพุทธเจ้าพอดูก่อนนะโน้นภาษาริบุตรเอาศีลละขันสมาธิขันสมาธิปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญาณทัศน์หน้ า, นาขันไปด้วยหรือไม่ไม่ใช่แล้วแต่ภาษาลิบุตรเป็นผู้มีอุปก า, าระมากเลยหมอท่านก็ไปอยู่นะไปในที่ไหนใครรู้ประพากันโอ้ต้องคิดดูว่านั้นเนี่ยท่านเวลาท่านจะปรินิพพานเะนี่ยท่านองค์อาจท่านองค์อา จ, ท, าออาจท่านอาจถามมา เห็นไหมท่านจะไปกรณีนี้พาเนี่ยแปลว่ามันท่านบอกว่าท่านภาษาลิบุตรว่าเข้าไปเจ้าอิดนาละอาจใจกับกับราชกาลอุปมาเหมือนกับทราบสุนัขเน่าออที่มัดผูกคออยากจะปลดห่วงสุนัขเน่าออกจากคอเต็มทนแล้วนเนี่ยคือเบื่อหน่ายอิดนาละอาใจต่อขันนี่เหลือเกินนั้นภาษาริบุตรในด้านใจของห็นไหมถ้าก็ถามว่าข้าแต่พระองค์เพื่เจริญใจของพระองค์กระดุจจัแผ่นดิ ตามธรรมดาแผ่นดินนั้นบุคคลเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไปเทราดลดแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่หวั่นไหวไม่ให้ฉันใดใจของข้าพระองค์ก็ประดุดตามแผ่นดินฉันนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายอภิชาและโทมานั้นไม่เคยไหลท่วมทับกระแสใจของข้าพระองคเลยใจของข้าพระองค์น่เหมือนน้ำในน้ำเนี่ยคนเอาของสะอาดนั้นไม่สะอาดไปเทไปราดรดเนี่ยใจของข้าพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันน้ําก็เหมือนกันใจของข้าพระองคก็เหมือนไฟใจของข้าพระองค์ก็เหมือนกับลมเป็นต้นเหล่านี้ ลมนั้นพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมนั้นก็ไม่เข้าถึงความหวั่นไหวนะบอกใจของข้าพระองค์ก็อย่างนั้นเหมือนกันอยากที่บอกว่าเหมือนโคเขาขาดใช่ไหมปกติโคเขาขาดเนี่ยเวลาเดินไปตามที่ทางๆก็เขา่ามันก็จะไม่ละลานจะไม่ละลานจะไม่กระแทกตรงนี้ตรงนี้เส้นใหญ่พระสารีบุตรก็อย่างนั้นะเป็นคนหมดมานะหมดทิฏฐิแล้วคนะือว่าเข้าไปหนะ้าที่ตรงไหนแล้วก็เหมือนคนจันทานลองดูลองคิดดูเงี่ยนะ ภาษาลิบุนี่อย่างคนจะท่านทำตนเหมือนกับคนจะทานเนียเข้าไปขอของใครอะไรต่างๆเลยนี่คนจะทุบจะตีจะด่าจะว่าจะชมอะไรต่างๆนะท่านไม่หวั่นไหวกับเสียงสรรเสริญและเสียงดินทารเป็นต้นเลยก็เหมือนที่หนักไปเหมือนทุเียนเป็นผ้าทุเลียผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าของสะอาดก็ไม่สะอาดไปเช็ดเนผ้าเช็ดเท้าก็เช็ดให้หมดแลยเนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านอิดหนาละอาใจต่อขังนี้เหลือเกินขยันลบเอาสุนัขเน่าโปกไว้ที่คอจนที่เล็ก คือว่าอยากจะพ้นมันเหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วรอรับรางวัลถึงคนทํา ง, งานแล้วทั้งชีวิตเหนื่อยนะ่แหละใช่ไหมรอเอ้ยรางวัลเนีชิ้นโบแดงที่จะได้รับชิ้นสุดท้ายฉันดีใจสุดฝันใดนั้นแต่ท่าได้ปรินิพานเนี่ยเป็นความสุขเป็นความภูมิใจของท่านอย่างมากนั้นการปรินิพานของพระราหันเนี่ยท่านภูมิใจนะท่านภูมิใจ แต่การตายของเรานี่เราโศกเลยชังไม่เพราะเรารู้โอ้ยภัยที่มันจะมาเจอข้างหน้านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทีท่านใคร่ควรท่านพิจารณาในลักษณะอยงนี้แ ล, น แ, ลและสังเกตอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยพระลาวทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วนั้นท่านก็จะมาล า, าพราะพุทธเจ้าโดยจากนิพพานไปแล้วก็จะแสดงอิทธิปฏิหารตามความสา ม, มารถของท่า น, นแม้แต่ตอนท้ายนะ ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วอยู่ต่อมาที่ท่านพระนรินได้บรรลุในวันที่เขาจะทําปฐมสังคยายนาต่อมาท่านพระนนก็ไม่มีเวลาในการที่จะทําความเพียรอะไรเลยยัง ไ, ไม่ไปเศ้าโศงอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะไปหมดตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยตอนนั้นท่านพระนนก็โศกค่อนข้างมากคือพระนนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามามากแม้ในปัจจุบันภบแม้ในสังสารวัฏที่ผ่าน ในสังสารวัตที่ผ่านมาท่านเกี่ยวข้องพุทธเจ้าเยอะมากถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่เฉพาะแตปัจจุบันภพนี้เท่านั้นลองคิดดูเนี่ยแล้วติดตามพุทธเจ้าประดุจงเงาตามตัวเนี่ยแต่อยู่ๆพุทธเจ้าบ ร, ริญญาผ่านหนีแล้วตัวเองได้แค่มรรคเดียวนั่นแค่โสดาปันติมากที่มากขนาดเกาสะสลับเร็ดร้องให้นะว่าโน้นเนี่ยพุทธเจ้าต้องปลอบใจใดูก่อนอะนะนนท์เนใช่ไหม ในบรรดาสาวกของพระเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ดีและที่จะมาพระเจ้าจะมาตัดทะลุในอนาคตก็ดีเนี่ยที่จะเป็นพระเถระอุปถาดนั้นท่านนนท์เไ ม, ไม่ไม่ด้อยกว่าใครเลยพวกนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะปฏิบัติได้เกินกว่าท่านพรานนทนี่พูดงั้นพระนนทใจก็ดีขึ้นมานแล้วก็บอกว่าถ้าฐานพระบริญญานไม่นานเธอจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้นได้จะทําอาสวายหมดสิ้นจากขันธ์สัตว์ดำต้นได้ ท่า น, นก็ได้ความชื่นใจตรงนั้นเลยที่พระพุทธเจ้าพยากร์ว่าตัวเองน่าจะต้องได้ตัดสู้เป็นจะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์พรอยู่ต่อมาเพราะพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้แล้วพอต่อมาแล้วตัวเองก็ตอนนั้นต่้นพระมหากคสจจศหลังจากประชุมภิกษุเจ็ดแสนลูกเจ็ดแสนลูปที่เป็นสังฆเถร ะ, ะไม่นับที่เป็นนวกาศนะสรุปแล้วก็เป็น ล, ล้านๆเนะี่ยพระชุมนุมกันในวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าตอนนั้นมาไปที่ ที่สถานที่บริณิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยโรงแรมอยู่ไม่ไกลใช่ไหมคือนั่นนอนไม่ได้ทุกคือมุนนอนยังไงก็นอนนั่นอนไม่หลับมันคํานวณพื้นที่ได้เข้าใจไหมมันคํานวณอ น, นคาสอนที่มันอยู่ในใจอะ่ะมันคํานวณได้เป็นเสร็จเนี่ยที่เราอยู่ห่างประมาณกิโลเนี่ยพระอรหันต์ตายหมดแล้วตอนเนี้ยเราก็นึกมันก็เห็นภาพภาพมันก็ปรากฏใช่ไหมมันไปนอนได้ไหมแต่เนี่ยผมไม่ได้แล้วทั้งยืนทั้งเดินทั้งโสดมน บางทีน้ำตาก็อยากจะไหลมึนหรือเป็นถ้าให้ไปบรรยายตรงนั้นต้องตั้งใจเยอะวดไปค่อยออกบางทีต้องเดินหนีบังดีบไม่รู้เป็นยังไงคนอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วมันจุกจุกที่คอเลยไอ้ที่ตรงเนี้ยนะเพราะสถานที่มันคำนวณได้ใช่ไหมถ้าลองเทียบ ด, ดูพระพระจํ า, าจนวนเป็นหลักล้านขึ้นไปเนี้ยแล้วพิสุนีไม่นับอุบาสกบาสิกาไม่นับแล้วจะประมาณเท่าไหร่เทพเทวดาไม่ต้องพูดถึงขนาดปลายเข็มหย่อนลงยังหาที่หย่อนไม่ได้ บางคนในเทวดาบางพวกสำคัญทุ่นอากาศเป็นแผ่นดินก็ทิ้งกายกลิ้งเปลือกอยู่บนพุ้นเป็นดินถ้าบางองค์นี่เหมือนกับพนเท้าขาดบาดเบิดจี้วอนหลุดหมดใช่ไหมพอรู้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัปปลินนิพานไปแล้วเน่ะลมตึง <c oughs> มันนึกในใจโอ้ <c oughs> โหพอเราไปอยู่นาที่ตรงนั้นเลามไม่ทำให้คิดนะไม่ให้คิดโอ้เป็นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมวันที่พุทธเจ้าเสด็จดับขันทัปปลินนิานก็ ก็เป็นเพื่อมัน ก, มนก็มันก็ตรึกในลักษณะนี้แค่นั้นองคิดโดยถ้าบรรยากาศอื้ออึนขนาดนั้นจะพักนอนเนพื่นพระซอดาบานันกลัวกวบสติแทบไม่อยู่ใช่ไหมยากแทบพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ท่านเกิดสบายพยายามความยังสาางคคังเวชทําให้เกิดขึ้นท่านก็แสดงน้ำโปรดพุทธบริษัทแล้วอยู่ต่อมาก็คือว่ามีการมีการที่ว่าศรีระศพของพทธเจ้าก็เจ็ดวันอยู่นี้อยูชาต่อมาพออีกเจ็ดวันก็คือเผา เผาเจ็ดวันนเะผี่เจ็ดวันก็แล้วต่อมาก็ยี่สิบเอ็ดวันเนะี่ยวันสรุปแล้วสามเจ็ดยี่สิบเอดยี่เ็ดวันนะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่โต น, น้ำพมันแบ่งวันนั้นแนหะวันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วพ็ะมหากสรกสศกประชุม พระชนก็บอกเออเนี่ยบอกก็ได้กล่าวขึ้นมาบอกว่าได้มีอนาชีพิคุนเนี่ยได้กล่าวจับช่วงประธรรมวินยัยของพ ร, ระพุทธในพระภาพแล้วก็บอกว่าเออจะต้อง ท, ทําปฐมสังายนากันก็มีฆาตพระภิกษุจำนวนห้าร้อยูกว่าจะทํากันที่ไหนว่จะไปทําที่กรุงราชพฤกษ์ตอนนั้นประชุมเงินอยู่ที่ไหนที่กุศินาราแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นเสร็เสร็จก็พากันเดินทาง ทานนนพร้อมได้อีกทิกษุตรขงอีหมู่ใหญ่ส่วนหนึ่งก็พากันกลับไปที่สาวัตถีเดินทางใ น, นสมัยนะั้นเดินทางจากกุศลราไปสาวัตถีส่วนพระศาอภาหมากระศพบพร้อมด้วยบริวารของตนต ล, ตลอดถึงพระอนุรุธท่าเป็นต้นเหล่านั้นก็เดินทางไปกรุงราชพฤก์แล้วก็พากันเดินทางออกภูรสาสองสายเป็นตึ้งไปทำดับนะบอกให้ไปทํากิจของตนเองให้เรียบแล้วในบรรษาเนี่ยจะทําปฐมสังขยากันในทา ง, ทาง ต่อไปใครมีพ่อแม่ป่วยก็ไปดูแลพ่อแม่ครูประชาฌานป่วยก็ไปดูแลเล่นกันทําให้เบ็ดเสร็จตนเองค่วยก็จัดการตนเองให้เรียบร้อยแล้วเข้าพรรษาแล้วถ้าป่วยเป็นนั้นเนี่ยเราจะทำบุมาสังกายนาก็ะจะต้องร้อยกองพระธรรมวินัยทุกท่นานสัมผัอีกพ่อแม่รู้สึกจะเป็นพระบุญนะเรนความเดริวานก็ก็ดูคอยปลอบโยนญาติโยมที่มาที่มาที่หลังมาไม่ถ้าก็ก็ทําติด นี่พออยู่ต่อมาเนี่ยพระพระนรนเนี่ยไปก็ไม่ได้ไม่ได้มานัติการเท่าที่ควรก็ไปเศร้าโศกวีทัตนานและวในที่จริจริงก็ที่พระนรนแสดงสุดพระสุดในที่ค่นกายสือกันธ์นว่าแสดงให้กับสุดพระมานพตัวพยายามฝามือในสุดนั้นที่แสดงเน่ยก็ตอนนั้นหลังจากฟื้นคืนสงได้ก็แสดงสุดแล้วในสุดพอได้กำลังขั้นบ้านรนก็เดินทางไปกรุงราชคลีพอไปกรุงราชคลีเบสเสร็จพระเหล่านั้นก็ ถ้าอรหันต์ทั้งหลายที่400ตัวองค์499 อ, องค์เขาบอกมันมีใครนะมันเดินโชยกลิ่นในบรรดาภิกษุนี่ดูขนาด้าะอนุนนะเป็นพระโสดาบาลแล้วท่านบอกพระอนุนมันเดินโชยกลิ่นนั้นไม่น่าปรารถนา น, น, นี่หมู่ภิกษุสงฆ์ถ้าเราเป็นบุรุษชนไปเดินใกลก้พระอรหันต์ท่านคงเหมือนหน้าดูเหมือนกิเลสนะราคะโทสะโกรธในสุดทีจริง ท, ท, ท, ท, ท่านทำความเปลี่ยนมาได้เลย ท่านอนนก็ท่นรินิพพานเรียบร้อยเหลือพวกเราที่ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าสุขในทิศฐะทำตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลาบากอย่างนี้บัณฑิตเรียกอริยาสาวกว่าเป็นผู้มีเศคาปฏิปทาถึงพร้อมด้คุณธรรมซึ่งเป็นดุกฟองไก่ที่ไม่เน่าควรจะแรกกิเลสควรจะตัดสรู้ควรจะบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม ท่านกบอกว่ามหานามาบอกว่าเปลี่ยนเสมือนฟองไข่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองที่แม่ไก่กกแล้วอย่างดีให้ได้รับไออุ่นอย่างดีฟักแล้วอย่างดีถึงแม่แ ม, แม่ไก่นั้นไม่ปรารถนาว่าพอลูกไก่เหล่านี้จงใช้ปลายเล็บหรือว่าจะ ง, งอยปากทําลายเปลือไกไข่ออกมาโดยสวัสดีเถิดถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็จะต้องทําลายเปลือไกไข่ออกมาโดยสวัสดีแม้ฉันใด มหานามะอริยาสาวกประชันนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้เป็นต้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าอบรมมาตามลําดับอย่างนี้นะถึงพร้อมด้วยปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวงรศีลเป็นต้นไปตามลําดับหรือมีสัพริสธรรมทั้งเจ็ดประการนี่นะเริ่มตั้งแก่มีศรัทธามีหิริมีอัตตปะเป็นพหูสูตรปราลบความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นต้น แล้วก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตัธิยฌานจตุติฌานเอาฌานนั้นเป็นบาตแห่งการเจริญวิปั ส, สนาเป็นต้นเหล่านี้ถึงแม่ไม่ต้องปรารถนานะไม่ต้องปรารถนาจะบรปปรลุก็บรรลุถ้ากลุ่มนี้นะเหมือนแม่ไก่เนี่ยเขาทำกิจในการกกไงไข่อย่างดีแล้วแม่ไก่ไม่ต้องไปนั่งภาวนาขอให้ไก่ลูกไก่ที่อยู่ในไข่ใช้จะมอยปากก็ดีใช้เท้าหรือใช้เล็บก็ดีเนี่ยเคลียรเคลียรเปลือกไข่ให้แตกแล้วก็ออกมาเพื่อจะมามองดูโลกไม่ต้องปรารถนาอย่างนั้น มันได้จิตไหมอุตูมันสมบูรณ์มันก็ออกอันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาที่กลุ่มบุคคลที่เขาทาํำจิตเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของขบอกว่าตามดับถ้าหากว่าหนึ่งปุกเพกระตาปุญญาตาดีใช่ไหมพเพราะปุกเพกระตาปุญญาตาดีมาเกิดในถิ่นที่สมควรด้วยได้พบพระพุทธเจ้าด้วยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยมีโยนิสงฆ์มนุษการจากการฟังเป็นต้นด้วยเกิดศรัทธาแล้วก็มีศีลด้วย พอภูษณสีนทั้งปาฏิโมกสังวรศีนเป็นต้นน่ยบริบูรณ์ดีนี่นะอวิปปิสารก็เกิดขึ้นเมื่ออวิปปิสารเกิดขึ้นก็เป็นปัจัยเกิดปลาโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิแล้วก็ญถาภูฏายณทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นดังว่าเป็นจิงใช่ไหมทีนี้ญาถาภูฏายณทัศนะซึ่งเป็นปริญญาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ญาตาปริญญาทีรณะณปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะไปจนถึงนิพิทา นิพิทาก็เป็นปัจจัยแก่วิราคะอริยมรรคอริยมรรคก็เป็นปัจจัยแก่อริยผลอริยผลก็เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวคขณะยานเขาเรียกวิมุตติยานทัศนะท่านก็ทําปัจจเวคขณะยานโสดาโสดาปริมาเกิดขึ้นโสดาปริผลดับไปเสร็จเนี่ยปัจเจเวคขณะวิธีก็เกิดมาพิจารณาแล้พิจารณามากพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ร้าที่เหลือพิจารณา n i r v a n ได้ห้าวิถีใช่ไหมปัจจเวของท่านก็มีห้า ทสกาทาคามีพุ๊บท่านก็กนได้หาอนาคาก็ได้อีกห้าเป็นเท่าไรแลยสามห้าก็สิบห้าปัจจเวคขณะยานท่านได้สิบห้าแล้วก็อหรหันต์อีกสี่เป็นสิบเก้าใย่ไหมเรียกวัจจเวคขณะยาณสิบเก้าแปลว่ากิจจบแล้วภพอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเรียบร้อยจนจบท่านจบง่ายๆเลยนะเพราะท่านสั่งสมมาค่อนข้างดี แต่พูดอย่างนี้ใช้เวลาเร็วนะเวลาสร้างใช้เวลานานใช่ไหมนนใช้เวลานานนางไม่ท้อเนาะไม่ท้อสร้างกรมีท้อได้ยงกินข้าวทุกวันยังไม่ยอมท้อเลยเนี่ยเห็นว่ากรณีในลักษณะของคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนี่เหลือเวลาเท่าไหร่อีกขึ้นมจุออกสี่สิบแวจะ จะลองเชื่อมคําสอนตรงนี้ดูสักหน่อยนะเนาะในเรื่องการบูชา็ในเรื่องของการบูชาเนี่ยที่โยบพระราหารทั้งหลายเนี่ยท่านท่านยังมีย่างไม่มิสบูชามีไหมใี่ไหมพระราหารนั้นน่ะท่านไม่ได้ไปที้ง่างมิสบูชาเนะ่อย่าไปเข้าใจนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหปฏิบัติบูชาพระเจ้าตรัสเอาไว้ใช่ไหมพระเจ้าปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นเลอก ไมเป็นเล่ดได้ไงว่าปฏิบัติบูชานั้นเป็นชื่อของการทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่อามิตรสบูชาเนี่ยเขาว่าเป็นอะไรเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่ปฏิบัติบูชาแล้วอมิตรสบูชาเนี่ยทิ้งได้ที่ไหนจะทิ้งก็ยุ่งเลยใช่ไหมทิ้งไม่ได้หรอกทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการบูชาเนี่ยท่านแยกเป็นสอง นะถ้าจะจัดไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นสองก็คือแยกเป็นอามิสบูชาแล้วกัธรรมะบูชาหรือปฏิบัติบูชาถ้าอามิสบูชาได้แก่การบูชาคุณนะผู้มีคุณด้วยวัตถุสิ่งของตามในยพสูตรดังที่ได้กล่าวอ่ะอันนางตานางกระังวัดถังมาลายานางวิเรปนางกันโทเสยยาปฏีไปยังทานวัตถุงศิยุงทศเขามีสิบอย่างในสิอย่างก็คือว่าเครื่องนุ่งห่ม ใช่ไหมเครื่องลงผมกบูชาพระเจ้าแล้แล้วก็ดอกไม้ยานพาหนะนี่ยานเอาทําไงอโลดเป็นบูชาพระเจ้าเอารงเท้าก็เลยกระแล้วก็เครื่องรูปร้ายเครื่องหอมเครื่องนอนแล้วก็เครื่องให้แสงสว่างใช่ไหมสิบอย่างนี้เขาเรียกตามในยะพระสุตตันตบิดกถ้าตามในยะของพระวิธรรมก็คือรูปทานนางสัทธทานนางกันธาทานนางระสาทานนางโูธพาทานนางธรรมะทานนะให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานอ่ะ ถ้าเงยดอกไม้เนี่ยเวลาไปบูชาพระเจ้านี่ให้อะไรให้รูปหรือให้เสียงหรือให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสหรือให้ธรรมะเอ้าลองตึกให้ดูหน่อยที่จะไปบูชาพระเจ้าตรงทีใช่ไหมต้องคิดให้ได้เอาสินี่ยดอกไม้ที่เราบูชาเนี่ยบางคนเขาปลารบสีได้ไหมได้เนี่ยปลาบเสียงปลาบเนี่ยนี่ปลารบเสียงปลารบเลบเสียงปลารบยังไง ข้าพรเจ้าขอบูชาพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้ายกแล้วดอกไม้ได้ใช่เอารถหนึ่งข้ายกกลิ่นก็ได้มองคนก็ปราพรมขอ ง, ของหอมใช่ไมแค่รถนี่จะกลางแล้วเดีเอารดดีเอารถพระธรรมเลยนะจ๊ะับวยังไงรถพระธรรมบ้าไงรถพระธรรมนชนะรถทั้งปวงสับพังราสังธรรมรารโสชินาติใช่มรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปว ง, ง น, น บูชาพระธรรมบอกว่าปราถนาที่จะได้ลิ้มรสพระธรรมของพระพุมีพระพากเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว้าย่างไรตรัสบอกว่ารสของรสของดอกรสของอาหารใช่ไหมที่มันเกิดต้นไม้ในที่มันมีบางทีก็จากกิ่งจากก้านจากใบจากรากจากผลจากดอกใช่ไหมหรือว่าจากอาหารต่างๆรสเปรี้ยวหวานมันเค็มทั้งหลายทั้งหลายที่สัตว์โลกติดกันเนี่ย รสเหล่านี้น่ะทำให้สัตว์ติดข้องในสังสารวัตแล้วก็จมอยู่ในสังสารวัตรโดยมากลงมาบายภูมิก็บายรสเปรี้ยวหวนันมันเค็มอยู่แล้วใช่ไหมแต่รถของสติปทานสี่สัมมาปทานสี่ทธิบาทสี่ดินสียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดรถของอริยมรคมีองแฝดดีทําให้สัตว์นั้นพ้นจากสังสารวัต ส, สังาาสารทุกข์อยู่ไหมจะบอกโอ้ยรสประทมนี่เป็นเลิศแต่รถสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้ยทาให้เราหลงไปัำงนานอยู่ไหมใช่ไหมใช่บางทีโอ้ยมีคนก็หลอกเรามา หลอกให้รับนี่ดีเนี่แบบติดใจในรถเนี่ยบางทีก็พาให้เราติดแล้วก็จมอยู่ท่าเนี่ตกนันลกกันเพรถะรถมาเยอะแยะเลยเนีนีะนี่ที่เห็นไหมที่ว่าได้กีวรนคนดึกดไปดนังสือท่านใช่ไหมท่านโมกันท่านโมการดีไปรวมๆมาอ่านโอ้นักนักูนอกเอ้ยเนี่ยพรไปยินดีพอใจที่ว่าจีวอเป็ากพี่สาวได้กีวอมาเขากีวอนไปปากที่แรกกีวรนกันเนื้อหยาบยานี่แหละ ที่สาวก็ไปทํำจะสวยงามเลยอุ้ยพอมาเห็นเนี่ถึงสวยมากนะข้าเนี่ยข้าตัวนี้ก็มาคิดถึงเดจิวอนอยู่นั่นแหละนั่นเป็นไปได้จริงนะเดจิวอนโดยสวยเกิดวุ้ยชื่นใจนะข้าวนะข้าเกิดปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาตายไปคิดถึงจีวอนอะไรอย่เงยเลยไปตายไปเกิดเป็นเล่นเลยพระก็จะแบ่งสมบัติคนแรนั่นเลนตัวนั้นได้ยิงมาวิ่งตัวแดงโลเลยตัวเนี้ยวิ่งงูขูงหัวมัน พระพุทธเจ้าก็บอกมาดูก่อนวิเคราะทั้งหลายครบเจ็ดวันแล้วค่อยแบ่งเนื้อแล้วพ อ, อเขาไม่แบ่งก็ยุบลงโทรศัก็คาตัวก็หายแดงที mm hmm. ่สุดจริงๆครบเจ็ดวันก็จุดติดเป็นปฏิสที่เป็นเดวดาวเป็นรูปเอาสิเนเนี่ยเห็นไหมทั mm ้ง hmm. พระพุทธเจ้าไม่ช่วยยุ่งเลยนะบ่งเทนกุศลราศีมาอย่างดีแล้วตายเป็นเลนอีกรูปหนึ่งนะกําลังกินนึกถึงอ้ยนะ อ, อ, อยเห็นไหมข้ออ้อยตายกลาเป็นหนอนในข้อออยสิ mm hmm. โหยุ่งเลย วันก่อนไปวันก่อนก็ที่ว่าไปบอกว่าเออส้วมมันเต็มไม่เน้นจชิงงะดูโหบอเปิดดูแล้วนอนเต็มหมดเลยเลยยิบเลยยับก็ยิบเลยยับเต็มหมดเลยเข้าไปอยู่ได้อย่างไงนึงก็เลยถามพระเขาถามพระเขาเอ๊ะที่เขาชอบเล่ากันไงมีเพื่อนสองคนคนหนึ่งตายเป็นนอนเป็นเทวอาจาย์ในธรรมบทมีไหมมีจริงจรอาจารย์เขาบอกบโอ้โหนะดู ตายเป็นหนอนตายไปเป็นหนอนอีกคนอีกคนหนึ่งเป็นเทวดาอเทวดาสงสารหนอนจะมาช่วยหนอนหนอนสงสารเทวดาหนอนสงสารเทวดาไปเล่าไปเล่าให้หนอนฟังเล่าว่าไงเล่าว่าโอ้โหสงสารเพื่อนเหลือเกินอยู่บนสวรรค์นีกไปอะไรก็ได้ นองก็บอกอุ้ยไม่ต้องสองสารเราแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องเน็กคนได้ทุกวันเช่นไรความไม่เถึนก็เหมือนถ้าเราเราอยู่อย่างนี้ถ้าถามว่ า, า, าระอรหันทั้งหลายจะมาเที่ยวบว่าอ้ยเนี่ยอยู่อย่างนี้ลําบากนะเป็นสงสาแล้วว่าจะมีไทยแล้วก็มองไม่เห็นไม่มีไทยตรงไหนแล้วมีอยู่มีจีนสบายเราเป็นดูถูกนอนยังไม่ทันทีอ้าเรายิ่งกว่าน้องตรงนี้ <c oughs> ไม่ยาดไม่อยากจะหนีอ่ะไม่อยากจะหนีจะทรัพย์ไม่อยากจะหนีจะลูกไม่อยากจะหนีจะภพถ้าในยะของพระวินัยก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่สายยารักษาโรคอันนี้เขาเรียกอามิสบูชาไม่เชื่อมโยงกับธรรมบูชาไ ง, งธรรมบูชาปฏบิบัติบูชาก็ไปชื่อของศีลแล้วการเจริญสมถะภ า, าวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเนี่ยสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วก็กุศลศีลเนี่ยก็เป็นปุพพฆาของอริยมรรคเนะ้ เป็นปุปป่าเป็นเบื้องต้นของอริยามรรคเนะี่ยศีลสมถาวิปัสนาเนี่ยเป็นเป็นปุปป่าของอริยามรรคพรทมรรคนะีเป็นท่ามกลางเนี่ยถามว่าอะไรคือเบื้องต้นอะไรคือความงามในเบื้องต้นศีล ส, สมถาวริปัสนาใช่ไหมอริยามรรคงามในท่ามกลางผลและนิพพานงามในที่สุดอันนี้คือทาว่าบูชานี่คือปฏิบัติบูชาเนี่ยที่นี้ในบูชาสองประการนั้นนะ่ะสุขโสมนัสอิฐารล์นี่เนี่ยที่เกิดขึ้นจากการบูชา ตัณหาก็ได้ที่ยินดีในโลกียธรรมทั้งหลายมีชื่อว่าส า, าธทะคือความยินดีความเพลิดเพลินนะส่วนอาทีนาวะนั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของธรรมที่เป็นไปในภูมิสามคือขันหนะ่านรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันที่เป็นไปในการลรภูมิรูปภูมิและวรูปภูมิเนี่ยอันนี้ชื่อว่าสังขารทกชื่อว่าอารทินวะนี่เป็นโทษใช่ไหมประการต่อมาก็คือว่าพระนิพพานมรรคและพระนิพพานเนี่ยเป็นนิสรณะนะเป็นนิสรณะนะ ประการต่อมาก็คือว่าอา น, นิสงส์เกี่ยงการบูชาเนี่ยพ้นจากอะไรพ้นจากการตีเตียนจากการตีเตียนของตนเองแล้วก็พ้นจากการตีเตียนของผู้อื่นมีบัณฑิตเป็นต้นแล้วผลจากการบูชานี่พ้นจากทุกขติด้วยนะพ้นจากอบายทุกขติวินิบัตนะลูกพุทธภาษิต ท, ที่บธรทำโมะเวรคติธรรมจาริงเนี่ยทําแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันนั้นเรียกว่าผลอันนี้เป็นผล ทีนี้การได้รับการแนะนําตักเตือนบอกว่าให้บูชาบคุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเขาเรียกอานัตอนัตี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้าที่เขาส่งข้อบอ่งอทินะวา่าและผลเป็นทุกขสัตว์อสาท่ก็เป็นสมุทยาสัจจะส่วนนิสรณะก็เป็นนิโรธาสัจจะอุบายอานัตก็เป็นมรรคสัตว์บอ่อาสาโทสมุทโยาอาทินาวะพันจากทุกขังเป็นตัวเนนะี้ยอสาท่เชื่อวสมุ ท, ทยัย อาทีนวะกับชั่วทุกนิสระนากระชั่วนิโรธเนะี่ยแล้วอุบายและอ น, นัตกะช่วมากใช่ไหมถ้าถามว่าเือการบูชาเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยครูชนีนางบุคลบคลผู้คนบูชานี่เนี่ยถามว่าเออขันของพระพุทธเจ้าขันของครูบาอาจารย์ถ้าขันของพระพุทธเจ้าจะไม่มีสมุทัยเนี่ยแต่ถ้าขันของบุคคลที่ยังมีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นโลภียะขันห้าเนี่ยเว้นโลภะ ของบุคคลผู้ควรบูชามีพระพุทธเจา้าพระสงฆ์บิดามารดาเป็นต้นครูบาอาจารย์นะั้นเป็นทุกข์สัตว์ใ น, ะนทางพิจารณาใช่ไหเราบูชาเขนอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าพระธาตุพระธาตุน่คือดินน้ำไปลมสีกิร่รสโอชาธาตนะุเนี่ยอาวิธโพกรูปเนะี่ย น, นี้เป็นทุกขสัตว์ในชะ่ไหมหรือถ้าตอนที่พวกรมาศาสดานะรยสงฆ์มีพระชนอยู่แขนะ่ขันของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนะี่ยเป็นทุกขสัต์ใช่ไหมกอลอบรู ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ควรวิจัยควรพิจารณาถ้าเราไม่วิจัยเราก็ไปติดข้องในขันของพทะเจ้าพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราบูชาแล้วแต่เป็นปัจจัยกับความพ้นทุกข์ได้ดังนั้นจิตที่คิดจะบูชาอีกต่างหาที่เป็นเหตุแห่งการยินดีเป็นเหตุแห่งการบูชาก็เป็นทุกข์กั์เป็นเรื่องเป็นสมุทัยสัจจะนิพพานนะความไม่เป็นไปแห่งขันความไม่เป็นไปแห่งสมุทัยนั้นเป็นนิโรธปฏิปทาถึงนี้รอดก็ก็เป็นมาก ฉะนั้นถ้าถามว่าทุกขสัจจะ ก, ก็ควรกําหนดรู้สมุทัยก็ควรละนิโรธควรทําให้แจ้งกรรมะก็ควรเจริญฉะนั้นเนี่ยคําว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยในเทศนาเนี้ยพระเจ้าแสดงอะไรหมดแสดงอริยสัจเออเวลาพระท่านสวดใช่ไหมบอกบูชาจะปูชนียนามเตมังคารมุตเต ม, มังต่อไม่รู้อะไรสมัยก่อนใช่ไหมเราไปถามอะไรมา ก, ก็ถามข้าพเจ้าเบนุสิทถามเออนิมาบอกว่าบอกาอาศัยวนนา จะพารานางปัญจิตานจะเสวนาปูชาจะปูชนียนถามว่าปูชาจะปูชนียนาถามแต่ละบบเรื่องไหนบอกว่าอันนี้พุทธเจ้าแสดงอะไรบอกแสดงมงคลสารสิบแปดใช่ไหมอ่ามงคลสารสิบแปดนี่เป็นคําถามหรือเป็นคําตอบไม่รู้เห็นไหมนะไม่รู้เนี่ยเราอีมงคลสารสิแปดนี่เป็นคําถามหรือเป็นคําตอบคําตอบหรือเป็นคําถามคําตอบใครตอบใคร ใครเป็นคนถามเทวดาถามใครตอบพระพุทธเจ้าใช่ไหนี่เธอเป็นคําตอบแล้วคําตอบที่จะเว้นจากคาถามได้ไหมไม่ได้นะ่ไหจะรู้จากคำตอบหรือต้องสาวหาคําถามด้มทีนี้ทํามาพิจารณาอีกทีเขาบอกว่าพิจารณ า, าปูชาเนี่ยนะไอปูชาสัพท์เนี่ยหมายถึงเสียงหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณเนะคำว่าปูชาเนี่ยนะ ว่าสภาพใดย่อมถูกออกเสียงเพราเหตุนั้นสภาพนั้นเรียกว่าสัทธาก็คือเสียงนี่นเลยธรรมชาติใดย่อมถึงความเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณฉะนั้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าศรัทธาคำว่าปูชาเนี่ยปูชาจะปูชนียานังเป็นต้นที่พระุทธเจ้าตรัสอันนี้นเป็นจิตจิตชาศัพ์นะเป็นศับที่เสียงที่ดังกับจิตใช่ไมพระพุทธเจ้าเวลาจะกล่าวอาเสวนายปารานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตมังกรมุเดมังเป็นต้นอันนี้นะ พระพุทธเจ้าจะแสดงเนี่ยพระเจ้าเน่ยเปล่งพระสุรเสียงออกมาด้วยมีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและจิตที่จะเปล่งออกมานั้นเป็นมหากริยาณนะเป็นมหากริยาญนะสมยุญนะพระว่าพระเจ้าตรัสพระธรรมเทศานา น, นั้นตรัสด้วยสัพพัญญุตญาณ น, นะไม่ได้ตรัสแบบธรรมดาอย่างที่เราเข้าใจกันนะตรัสด้วยสัพพัญญุตญาณด้วยมหากริยาญนะสมสมยุญโดยส่มาก ฉะนั้นสัพพยุญตญาณในองค์ทำได้แกมหากริยาญาณในสัมยุทธฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมแต่ละเทศนาแต่ละศัพท์แต่ละคําแต่ละประโยคนนแต่ละคําพูดแต่ละวลีเนี่นะเพราตรัสออกมาก็คือมหากริยาญาณสัมปยุทธนั่นแหละเป็นตัวไขโครควนในการที่จะเปล่งวาจามาใช่ไหมฉะนั้นพระสุเสียงของพระพุทธเจ้านั้นจึงฟังเพราะมากเพราะจากบุญกุศลที่พระองค์สั่งสมมาตั้งศรีสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับ แล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือขับเคลื่อนจากหมากิรยิยาญาณสัมพยุด้วยใช่ไหมก็มานั่งเล็กดูอะ่ะข้ามพูดเนี่ยยอมมาเฝ้าเจตดูดิถ้าพูดด้วยโลภะเสียงก็อย่างเอฝ้งเกต ด, ด้วะถ้าคนที่ศึกษาไอ้ดีสมัยเด็กๆล้วพูดขอสตังพ่อแม่พูดด้วยโลภะแม่ขอสตังหรือฟังพร้อมกันนะใช่ไหมแต่ถ้าแม่ไม่ให้ตอนนี้ก็เริ่มไม่เคยพร้อมแล้วโทสะเกิดใช่ไหม ขอด้วยความปรุงซานกันเลยในชะ่ไหมขอด้วยความสงสัยก็นด้ฉะนั้นอ ก, กุศลแลเจตก็เป็นเหตุแห่งการเปล่งคําพูดเป็นต้นออกมาได้นี่เราก็มาสังเกตนะเวลาเราพูดต่อไปเราจะไม่เปล่งวาจาด้วยบาปเือบาปหรือไม่บาปอ่ะถึงกําหนดต้องสามารถแยกแยะกุศล อ, อกุศลได้ด้วยในชะ่ไหมในการที่จะเปล่งวาจาออกมาหรือวาจาทีา่เปล่งอ อ, ออกมาเนี่ยเออเสียงที่ดังออกมาไม่ได้ถือเป็นประมาณเนะี่ย แต่จิตที่เป็นบุญและเป็นบาปที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับขับเคลื่อนเสียงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าจิตตชัรูปใช่ไหมที่เป็นปัจจัยเกี่ยวการที่จะเปล่งออกมาเนี่ยเขมีอะไรมีสายเสียงไหยเขาว่ามีอะไรเสียงเนี่ยเวลาเราเปล่งเสียงเปล่งเสียงมันก็มีอะไรอวิญิโพกัรูปแปอวิญิโพกับรูปแปดสายเสียงเนี่ย เ, ลลเป็นอวิญิโพกัรูปแปดที่เกิดจากรรมเนาะใช่ไหมดินน้ำไฟลมเนี่ยเกิดจากรรมเป็นสายเสียงเป็นกล่องเสียงเนะแต่ไอดินน้ำไฟลมที่ เกิดจากการเปล่งเี่ยที่เป็นตัวเคลื่อนมาเสีย ส, สีแล้วก็ะทบกันนั้นเกิดจากจิตใช่ไหมพอก็ะทบกันขึ้นมาก็กลายเป็นเสียงขึ้นมาบางคนก็เสียงสีมเสียงแต่ตรงนั้นไม่ประมาณประมาณอยู่ตรงไหนไ้จิตที่เป็นปจัจจัยของการเก่าวเหมือนวันวันหนึ่งเราพูดไม่รู้กี่คำใช่ไหมเราไม่เคยกําหนดเลยนะว่าคําพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเมตตาหรืจีรกรรมหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเป็นโทสะหรือว่าเป็นโลภะหรือเป็นโมหะใช่ไหม ถ้าเราสามารถรู้โอ้หนิ่จิตที่เราจะกล่าวเนี่ยเป็นไปด้วยการเมตตาเป็นไปด้วยกรุณาเป็นไปด้วยมุทิตาเนี่ยเป็นไปด้วยอุเบกขาถ้าอย่างนี้เป็นไปกับกุศลแน่นอนทีนี้ถ้ากําหนดเมตตาก็ไม่ถูกมุทิตากรุณาหรืออุเบกขาก็ไม่ถูกมีนยุ่งไม่รู้จะกล่าวเมื่อไรก็กล่าวตามความเคยชินที่เคยกล่าวก็แต่ความเคยชินของสัตว์โลกก็คือชินที่เป็นอกุศลฉันถึงบอกว่าเวลาพระท่านกําหนดเนี่ย ท่านบอกว่ามีสติสัมปชัญญะในการกล่าวใช่ไหมในการพูดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการนิ่งอย่ไงไรเงสติสัมปชัญญะในการพูดเนี่ยในขณะที่พูดนั้นท่านไข่ครวญก่อนอย่ว่าคําพูดนั้นมีเมตตาวจีกรรมคือเมตตาเมตตาไข่ครวญด้วยเมตาก่อนแล้วก็เปล่งวาจาออกมาเนี่ยเวลาพราจะแสดงธรรมเนี่ยถ้าต้องมีเมตตานะในการกล่าวเนี่ยจะกล่าวด้วยโลภะก็ได้จะกล่าดว ด, าด้วยโทสะก็ได้ถามว่าจะมานั่งทาบาปทำไมด้วย ก็น่ากรุณาตนเองนะ่้ายอปากมาทําบาปเล่นทั้งหลายหลายชั่วโมงยังงไม่เอาเลใช่ไหมเอามาก็ต้องได้บุญจากการกล่าวยังไนี่เราก็าต้องมาพิจารณาอยู่เออศึกษาเขาทำแล้วเราจะกล่าวเลยแต่ละครั้งต้องมาน้าสิกามที่เขาเหลือซ้ำรวมวาจาอ้ำรวมกายส้ำรวมบาจเข้ามาสํารวมวาจาในนั้นเปนชื่อของสติใช่ไหมเป็นชื่อของสติทีนี้สตินั้นจะเกิดขึ้นได้กับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับมหาบุุรทีนี้สติเป็นไปกับอะไร สติเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับกรุณาเป็นไปกับมุทิตาหรือเป็นไปกับอุเบกขาถามว่าต้องฝึกไหมต้องฝึกต้องใครควรต้องพิจารณาไหมถ้ารู้ว่ากล่าวปลุกเป็นไปโทสะต้องนิ่งก่อนเลยย้อยต้องหยุดก่อนแล้วใครควรพิจารณาก่อนเอเราจะมาทําร้ายตัวเองด้วยวาจาเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราเลยเราก็นับถือคําสอนเราก็นับถือว่าผูมีภาคเจ้ามานานพุทธเจา้าตำหนิการกล่าววาจาที่เป็นไปอย่างนี้น เราม่ใคร่ควรพิจารณาเออเหล่านี้ศรัทธาพระเจ้าอย่างไงนะทําไมไม่ทำตามพระธรรมคํ า, าสอนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสคําสอนด้วยความกรุณาเราโดยแท้ทําไมเราไม่เห็นแก่ตนเองเลยพระเจ้ยายังเห็นแก่กระแสะขันทุกเราเลยว่าจะไปตกอบายะคุมไหม อภัยทุกข์ที่วิบากนโลกพุทธเจ้ายิกรุณาเราเราทำไมไม่กรุณาตนเองเมรุพระพิจารณาที้นะครับก็ยับยั้งเลยเวลาจะพูดอะไรเวลาโกรกก็เงียบไว้ก่อนเวลาโลกก็เงียบไว้ก่อนใช่ควรกระจัดความโลภความโกรกก่อนแล้วไปเปล่าเนี่ยใหม่ๆอาจจะติดขัดบ้างใช่ไหมแต่พอกล่าวก็มเคยชินด้วแต่นี้ก็โอ้โหแต่นนี้เป็นใบกับุสมนี้คนตังก็อีกประเด็นนึ่งคนตังบางทีก็ไม่รู้เนี่ยว่าเรากล่าวได้โรอครัะใช่ไหมบางทีเราเรียกเขาลูก เป็นนอนซะนะอย่าตื่นนะว่ามึนใจนอนนี้อย่าตื่นนอนให้ตายไปเลยเนาะยุงย่งเลยใช่ไหมบางคนพูดพึ่งคือพอูดเพอ้พอๆนี่แหละท่เป็นคาําด<ท>่าเคยนะ<ท>เคยพูดเสียดสีพูดแบบประเภททํายังไงดีคนนี้พูดจริงแล้วพูดดีก็แล้วพูดทิด่มแทงก็เลยอาตมาก็เคยนะพูดทิ่มแทงใจสำพูดทิ่มแทงอ้ก็เด็ก เอาเด็กมันบินทางไยังไม่เป็นไรเขาไม่เป็นฟังด้วยเขาอยู่กับเขาไปบินจะบาดเขาก็ตามตางแลเาเจอเล็กๆนี่ก็จะนอนนี่ก็อยากตัดสว่านพัทีนอนทุกบนแล้วก็บอกว่าเออจริงๆก่อนจะนอนไม่ยอมอบลมก็มั่งเลยใช่ไหมเองก็ต้องนึกเอนตัวเองดีวเออเนี่ยเรามานอนอย่างนี้ในกุดติดแทเรามาตัดสว่านดที่นอนต้องสอนเ บอกเขาเอ้ยบอกเขาบอกเขาเขาบอกเอ้ยแบางก็มีพระอยู่รูปนึ่งเขาบอกอ๋อเขาบอกาเอามาอยู่กับผมเนี่ยย่างสบายไม่เป็นไรถ้าก็ไม่อยู่แล้เขาก็เขาเกณียนใจนะมใหม่เขาก็เขาก็เลยหาเขาก็แก่ใด้เขาก็กลับมาพระเขาเลยคุยใหญ่ว่านี่ไงอาจารย์ว่ามาอยู่กับผมแล้ไม่ผัสสะเลยรู้ไหมอยู่ไม่อยู่กับพระบางงงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ อาจมาคนนึกในใจเราเดียวเพราพอครบสามวันเราจะวิ่งแล้วพอเขาคุ้นเคยวันที่สามเรียบร้อยเสียงใหญเอาไ ว, ไวไ้แตดแปลกหนึ่งเเคยงั้นบางอย่างก็เกิดจากเกิดจากอุตุก็ได้นะเสียงเนี่นะก็เรียกอุตุชัดสัพเสียงที่เกิดจากธรรมชาติางรือสิยงพันลม เป็นสิ่งธรรมชาตินี่ยไม่ได้เกิดจากจิตฉะนั้นตรงเนี้ปูชาเจปูชนียานันการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยถ้าถามบอกคือก็เป็นเป็นบุตรฉาหรือเป็นวิสัชนาก็ต้องบอกว่าเป็นวิสัชนาก็คือเป็นคําตอบทีนี้วิสัชนาที่จะเว้นจากปุจฉาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมท่านก็เลยกล่าวในเรื่องว่าเออบูชาจะปูชนียานันเป็นต้นนะพระเจ้าบอกบูชาจะปูชนียานันเนี่ยพระเจ้าตรัสเพื่อประโยชน์อะไร ที one, dois, ่บอกว่าปุจชามีอยู่ห้าประการหนึ่งถามเพื่อต้องการรู้สิ่งที่ตนเองยังไม่รู้เพื่อทิฏฐาโชนนาปุจชาประการที่สองก็คือทิฏฐสังสันทนาปุจชาก็คือถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่ตนรู้มาแล้วประการที่สามก็คือวิมติปุชาหรือวิมติเชษธนาปุจชาก็ได้ถามเพื่อกระจัดความสงสัยประการที่ห้าก็คือกเทตุกรรมยตาปุจชามถามเพื่อต้องการจะตอบเองการถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้อย่างพวกเรามีไหมคําถามแบบนี้ ถามเพื่อเทียบเชียงสิ่งที่ตนเองรู้มาแล้วอันนี้ก็มีเนาะถามเพื่อกระจัดความสงสัยมีไหมถามเพื่อต้องการอนุมัติเอือนอนุญาตคือถามเพื่อต้องการให้เขาตอบตามใจเราและถามเพื่อตอบเองทีนี้ปูชาจะปูชนียนานเป็นต้นเราเนี่ยนะอันนี้ถาม่าเพื่อประโยชน์อะไรเ็บอกเพื่ออาธิษฐาโชดนาปจชาคือถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้เทวดา เทวาดานี่สงสัยเรื่องมองคลสาระแก่อยู่สิบสองปีถามสงสัยไม่ใช่ว่าจริงๆในคนยุคนั้นเขาจะตอบได้ไม่ได้ตอบแบบแบบยอ่ยอๆเขาก็ตอบกันได้นียตอบแล้วไม่สิ้นเชิงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ตัดสัตวรู้นุตนาสัมมาสัมโพธิญาณเวลาพระพุทธเจ้าตอบเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีข้อบอกพร่องถ้าอย่างเราให้ตอบอะไรนี่เราจะตอบแล้วมีส่วนเหลือเยอะแยะหมดเลยยังให้ตอบก็ไม่หมด แล้วก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเลยฉะนั้นวิสัชนาก็มีเอกังสรรพยากรตอบโดยส่วนเดียวคือตอบทันทีอย่างเช่นป้าหลานตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ยขมไม่เกิดใช่ไหมอันนี้ชัดเลยไม่ต้องไปแยกแยะอะแล้วตายแล้วไม่เกิดหรือนี่ประโยเอ๊ะปุถุชนเนี่ยตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดโอ้เรื่องยาวเลยเดีย๋ยวนี้อยากแยะใหญ่เลยแล้วเกิดเป็นอะไรด้วยแล้วไปใหญ่เลยเป็นคือพัดชัพยากร คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมากจะเป็นประเภทมิพัฒชะปยากรปฏิปช้าปยากรก็คือย้อนถามย้อนถามแล้วก็ตอบแล้วก็ทพานิยะไม่ตอบเหนือ ม, มากถ้าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถามพระพุทธเจ้าถามเรื่องโลกนี้โลกหน้ั้นสรีละก่อนนั้นอะไรต่างๆเนี่ยถามในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ตอบที่ไม่ตอบไม่ใช่ไม่รู้เนียตอบแล้วยิ่งจะเพิ่มมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ บงคนก็เลยบอกว่าพระเจ้าไม่ตอบปัญหาเรื่องโลกไปใหญ่เลยนนแท้จริงว่ตอบไปมงเยอะแยะในสี่อย่างนี้นะพระเจ้าตรัสเพื่อให้เราเวนัยสัตว์ทั้งหลายมาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเมื่อบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเกิการให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากวัฏจัทุกข์เป็นต้นนะ้ฉะนั้นการบูชาที่พระเจ้าให้บูชานั้นไม่ใช่บูชาเพื่อเป็นปัจจัยเกิดการเกิดเนื้อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แห่งการบูชานั้นเพื่อเป็นปัจจัยเกิการแทงตลอดอนิยสัตว์นะ แต่ว่าจับเมื่อไหร่นั้นก็ว่ากันอีกทีใช่ไหมอาตยาสัยที่ตั้งไว้กับบกุกับอย่างเช่นตั้งไว้ในสถานที่ประสูตรัสรู้สเสด็จ ด, ดับแสดงธรรมาจากเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพพานของพระเจ้าหรือสถานที่พระองค์ทรงบริโภคทรงใช้สอยต่างๆหรือพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่พระเจ้าตรัสบอกว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ควรไปดูเนี่ยไปสักการะไปบูชาเป็นต้น ข้อหมายคือว่าหนึ่งเป็นปัจจัยกับการยังสุขติพบให้เป็นไปแล้วได้เป็นปัจจัย ก, การที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนึงเมื่อต้นหรือพ้นจากทุกข์ในใบพภูมิเนี่ยเพื่อบายทุกติวิิบัตินรกแล้วก็อธิยาสายต่อไปก็เป็นปัจจัยการพ้นทุกข์จากสังสาวรวัฏเป็นต้นมีการบูชาเป็นอย่างนั้นพระเจ้าตรัสว่าเพื่อให้เราเวนยศัสตร์ทั้งหลายบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้ชื่อว่าวิพัฒชากยากรนะนนการวิสัชนาด้วยวิธีเนี้ย เป็นการแยกแยะเป็นการแยกแยะการบูชาเนี่ยพวกเรียวการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเพื่อประโยชน์อะไรตอบก็คือว่าเพื่อประโยชน์ในการแนะนําเหล่าเวนยศัสตร์ว่าในในวิเวนยศัสตร์บอกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วจะได้พ้นจากทุกข์นะทีนี้เกี่ยวในเรื่องของการบูชาเนี่ยนะถามว่าว่าคํากล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่า ใครๆบอเอ้ยบุญจะเกิดมากมไหมบอกว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าพระปเจพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกก้าวล่วงทำเครื่องเนื่นช้าคือก้าวล่วงตันหามานาทิถีเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่ข้ามพ้นความโศความล่ํายลําพันว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เนี่ยใครใคไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้ดับกิเลสไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญมีประมาณแต่นี้พวกนับไม่ได้ แล้วจะนับเม็ดบุญที่เกิดขึ้นจากกระแสจิตของบุคคลบูที่บูชาพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ดับรอบได้แล้วเนี่ยนับไม่ได้ปริมาณบุญน้ำมากมันผิดกับการที่เราบูชาบุคคลที่ยังมีเกเรตใช่ไหมหรือบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพวกบูชาปุรณกัสปะมคคุริโคสาละอชิตาเกสากรรมพลฉันชัยเวรพุตรปกุทกัจายนะและก็นิคณนาตะบุญเนี่ยถ้าเราไปบูชากลุ่มบุคคลเหล่านี้นะ คือศ า, ส, าสดาทั้งหลายที่ยังมีราคะโทสะโมหะที่ยังมีบาปอกุศลธรรมอลามกเต็มไปหมดเนี่ยถ้าเราไปบูชาบุคคลเหล่านี้ยบุญมีนิดมีน้อยมากเนี่ยมีต่างกันอย่างเช่นการที่บุคคลในโลกเนี่ยครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบกแห่งการบูชานี้ก็แปลว่าหานบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่เป็นเรื่องง่ายมากถ้าหากเรารู้จักบูชาในในาศาสนาของพระพุทธเจ้า จะใแค่ตั้งกระแสน้ำมาทำหรือนาำมาขันเนี่ยนะในการที่จะนอบน้อมบูชาพุทธเจ้าแล้วแค่ปรารถนาแค่เดียวแค่นั้นเน่ยจักรพรรดีราติวุฒิเค่อืนง่ายมากเหมือนบุญแล้วน่าง่ายดีก็คือว่าโอ้โหบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาเนี่ยยิ่งใหญ่ใช่ไหมก็ขนาดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ทางพระพุทธเจ้าในอดีตในพระกรณียศาสตร์ทั้งหลายท่านบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เป็นพระเจ้านี่ ท่านบูชาด้วยทั้งดอกไม้ทักเทียนบูชาด้วยสรรพัดใช่ไหมทั้งวัตถุทานทั้งทั้งดังด้านของการทั้งธรรมบูชาและทั้งอาวุสบูชาท่านบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตเล่านี้ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ขณะเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นได้ซึ่งเป็นเอกบุรุษของของโลกนี่นะแล้วนอกนั้นไม่ต้องพูดถึงก็บอกเป็นเรื่องง่ายมากถ้าจะบูชาจักรพรรดิเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเพื่อต้องการอยากจะได้จักรพรรดินี่แต่วันตกนรกนี่ใช่ไหม ก็ดูถึงพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยใช่ไหมยะพระเจ้ามันธาตุราชมีอายุเป็นอสงไขยปีเป็นอสงไขยนั้นมากกว่าเทวดามากกว่าเท้าสกาอายุมากขนาดนั้นนะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิก็คิดดูว่าปกครองทวีปทั้งสี่แล้วบริวาร น, น้อยทวีปเล็กๆนน้อยอีกสองพันเป็นบริวารนะชมพูทวีปกินเกลี้ยงหมดแล้วปกครองหมดแล้วอุตตรคุรุทวีปก็ได้ ปกภาวิเทหัตทวีปประด้อัปละโคยานะทวีปประดาะโคโคยไหมทวี ป, ว ป, ว ป, วปทั้งสี่นี่แปลว่าอยู่ในอุ้งอุ้งพัดอุ้งอุ้งมือต้อไม่พอใจอีกบอกไหมมีแค่นี้ไหมถามปริยยะนายกแก้วปรินายกก็บอกยังมีบอกบกทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นมาบอกพิบอกว่าสวรรค์ชั้นชาติล ม, มามีอกโยนจากขึ้นไปก็เรียบร้อยเท้าไอ้เท้าชาติมมาล่าต้องมาสวามิภพักบอกโอ้ยกเมืองให้เลยยกสวรรค์ชั้นชาติลมให้ ไอ้ยังมีบอกเอ๊อะพออยู่ในสวรรค์ชั้นดาตัวมัเอ๊ะเบื่ออีกแล้วไอ้ที่งามกว่านี้มีไหมท่านหาเป็นแบบนี้จริงๆนะตัานหาเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะถมยังไงก็ไม่เต็มนะไปๆมาๆก็ปรินายกแก้วก็บอกโน่งไงชั้นเดาดิก็โยนจักแก้วขึ้นไปจักแก้ว ก, ก็ไ ป, กกไปประดิษฐานอยู่บนอากาศแป๊บหนึ่งก็อกคลุมมาแต่นเองก็งาางพร้อมด้วยจะตุลังกระเสนาเพราะก็ลงมาแค่ไปไปปรากฏให้เห็นนี่ย แล้วต่อมาก็เราจะเราจักแก้วก็ดีเจตุรงเสนาก็กลับลงมากับพื้นแล้วพระเจ้ามันทาทูลา ย, ยขึ้นไปองค์เดียวแค่นั้นเลไม่มีใครก ล, ล้าท้ารบเลยเท้าส ก, กัดยังมาบอกโอ้โหมาต้อนรับเลยคือว่ายกยอ่ยกคนเสนามาคอยต้อนรับเลยพร้อมด้นางสนมกำนันเนี่ยต้องสามโคตครึ่งมาบอกโอ้ขอแบ่งเงินคนละครึ่งสามโคตครึ่งคนละครึ่งเท่าไหร่ แบ่งเงินคนละครึ่งเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้คลองกันคนละครึ่งก็อยู่อย่างนั้นพนนั่งลงไปในปันทุ ก, กัมพลศิลาอ่าเนี่ยที่ปันทุ ก, กัมพลศิลาอ่าเนี่ยพวกเราไม่รู้เคยไปนั่งมาแล้วยังถ้าใครเคยเป็นเท้าสักาวก็เคยไปนั่งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไอตอนที่เป็นพระเจ้ามันทาตุลาก็เคยไปนั่งมาแล้วเราเป็นเท้าสกาวมาต้องรู้เท่าไหร่แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีมาแล้วโปรดพืธด่ธรรมด h เราเคยนั่งแรือเปล่าพ่เป็นนั่งป๊อบเนี่ยมิดเลยนะว่าน้องบการนั่งมิตเลยพอเป็นนั่งไปเสร็จเนียรูปฝ่ายของพระเจ้ามันดาทุลาเป็นอย่างเทวดาเลยจะสังเกตได้ตรงตาไงนี่ยเทวดาจะไม่กระพิษพระเจ้ามัาทุลาจะจะกระพริบดูอย่างนั้นน่ะเทวดาท้าวสก่าตายไปเจ็ดองสององตายไปสามสิบหกองที่ดูยังไม่เป็นไรเลยนึกในใจว่าเอ๊ะทาไมเราต้องมาคลองครึ่งเดียวนี้ อยากันนั้นเลยจัดการเท้าส ก, ก่าเอาคนเดียวดีกว่านี่เห็นโลภะไหมบอกไม่เอาแล้วจัดการแค่นั้นเรียบร้อยล่วงเลยโทษสั์เขาตกลงมาก็เลยโผล่ไปชุมเหล่าเสนาตนตนเองใกล้จะถึงทีนนี้ยก็บอกว่านี่ไงพระเจ้ายกเรื่องนี้แสดงพระพระฟังแล้วพระได้บรรลุนะแสดงโทษของตันหาในเรื่องเนี้ยแสดงเรื่องเรื่องโทษเรื่องทุกขศาสัจจาระแสดงโทษของตันหา ว่าตันหาเนี่ยไล่กาดขนาดดีนะขนาดเราพระเจ้ามันาธาตุราษเนี่ยออกไปกลางแจ้งตบประหัตสามครั้งเนี่ผลเงินผลทองตกมาล่วงเต็มไปหมดเนยเราตอบันมือพังไม่เห็นมีอะไรร่วงมาเลยใช่ไหมออกไปตอบนี้บุญ น, น้อยอเนี่ยขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วในที่สุดจริงๆก็เวลานี่ย ฉะนั้นเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตพระพุทธเจ้าแล้วก็ประเจกพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระุเจ้าทักสินาทานชื่อว่าไม่น้อยเลยมาเถิดมาตรีพวกเราทั้งหลายพึงบูชาพระบรมธาตุของพระตราคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำ ม, มาซึ่งความสุขแม้ตรรมคตจักยังมีพระชนอยู่ก็ตามหรือเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเสมอกันแล้วผลย่ำเสมอกันนี่น่าชิดมัน คือพระเจ้าจักรลีนิพานหรือยังมีพระชนอยู่ก็ตามเนี่ยขอให้จิตเสมอกันการบูชาทําได้ไหมทําให้เสมอเหมือนว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ถ้าทาได้อย่างนั้นเนี่ยบุญเสมอไปต้องไปวางใจเองก็แล้วกันเท่ยอย่างนี้เนี่ยช่องทางการที่จะเอาจะเจริญบุญค่าบุญในพุทธศาสนานี่เยอะจริงเนี่ยถ้าเป็นนักการค้านี่นักการค้านี่สบานเลยทายกทั้งหลายได้ทําการสการะบูชาในพระตาคดหลอดใดแล้วไปสวรรค์พระตาคต เหล่านั้นย่อมสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นนันมากลักษณะอย่างนี้นะก็ท่นกระสงข้อบออออาศะท่าเนี้ยสุขโสมนัสอิทธิอารมณ์ตัณหาและวิปลาสในห้าอย่างนั้นนะสุขและโสมนัสจะมีอยู่สองอย่างนะสุขโสมนัสที่อิงอาศัยกรรมคุณกับสุขโสมนัสที่อิงเนกของมันถ้าสุขโสมนัสที่อาศัยกรรมคุณเนี่ยท่านเมให้เสรนะเห็น ไ, ไหมเกิดความสุขความยินดีความเพลิดเพลินที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แต่ถ้าสุกสมนะที่อาศัยเนคขม่าเนี่ยที่เกิดสุขที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลทำไดไ้คือรักษาศีล ม, ม, มีความสุขฟังธรรมมีความสุขเจริญเสสนะกรรม า, านวิปัสสน า, ากรรมฐ า, านนั้นมีความสุขอันนี้เป็นเล่นเนคขม่าสุขแต่หลายๆคนเนี่ยเขาไปคิดว่าเออถ้าจเจริญวิปัสสนาต้องเคร่งเครียดสมัยก่อนแต่ามาเป็นองั้นจริงนะบอกเอไม่ได้ลเราต้องต้องเท่ามันดูเหมาะดูสมหน่อย แล้วก็ต้องไปอยู่เงียบๆทำหน้าตาขุมๆก็ไ ว, แ ว, ออไแว้แล้วเขาเล่าพระขอใครับโบราณเป็นยังไงดีแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนอาตมาแบบนี้บอกโอ้โหไม่ได้หนวดต้องไม่กรนนะท่านนะงั้นถ้เขามาก็ทางั้นหนวดได้ยา <c oughs> วเว้ยก็นึกว่าอย่างนี้แล้มันใช่แล้วก็ครูบาอาจารย์บอกไงเป็นคนเชื่ออาจารย์นัการรมมาบอกกินอย่าเชื่อได้ดดเดูดวยว่ามาบอกว่าเพียนขึ้นมาไม่ไปบอกยอ ม, ม, มกิดอายุยมาแลอี๋ทาเนี้ย ปฏิบัติไม่ได้ต้องคเคร่งเครียดต้องไม่พูดจากรใครเลยโอ้ยไปไปมาหนักเข้าหนัก เ, เข้ามาลูกดูที่ข้างจะเหมือนลูซีก็ทุกวันเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่จริงก็นึกว่าเออแต่ทำอย่างนี้นมันใช่ที่ไหนได้ไปดูเอ๊ะมามันนั่งคิดตั้งนานนี่หมาขุนศรมันมีอยู่สมมติว่าโอเบขาวเวทนานี่ หมากุณสอาณสัมปะยุทธใช่ไหมเป็นตัววิปัสนาไม่เห็นมีทุกขเวทนาอยู่ในนั้นเลยเนี่ยไม่เห็นมีโทองมณเวทนาอยู่ในนั้นเลยยุ่งแล้วในเราเนี่ยไม่มันไ่แปลกเลยเป็นยังไงไปหาหองค์ธรรมองควิปัสนาหน่อยที่มาดูที่อะไรคืออะไรเอ้ามหาคุณสอนยาณสัมปะยุทธมหาคุณสอนยาถ้าหาไปดูในอัตถิฐานท่านบอกมหากุณสญนยาณวิปยุทธถ้าหาชำนาญยืนข้องแค่ก็จะเป็นวิปัสนาได้ ก็ต้องเป็นโสมนะนัทก็เป็นอุเบกขาแล้วโสมนะัทกอุเวกขาที่เป็นหมากุศน์เนี่ยเขาไม่ได้เครียดเลยไม่ได้กังวลเลยเลยนี่แต่ปลาโม่ปีติปัสสธิความสุขเช้าไหมเกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสนาเนี่ยใช่เรานี่ผิดทางเป็นสิบสิบีเรื่เกิดใจแลทำไมยุ่งเนี่ยนี่างโทษของการอยู่ไกลกินยากินยาไม่ได้กินต่หน้าหมอนี่บอกเยไม่อยู่หน้าอยู่ใกล้หมอยา ที่จริงอะแมี่จริงหมอยาอยู่ในตู้เพืาอแต่ยิ่ทถอแล้วเดินเลยไปเป็สิบสิบปี